ยอมเป็นไงบ้างีขึ้นเย้่าคิดได้คิดได้ต่างจากเดิม น, นะจ๊ะค่ะที่จริงยอมเป็นคนเป็นคนเป็นคนที่มีกระบวนการความคิดที่ได้นะจะแต่เพอเอิมขาดขาดข้อ ม, มูลนะภาษาพระเรียกว่าขาดภรรยานมิด ย้อนไได้อะไรเยอะขึ้ น, นีจริง้ค่ะวันก่อนฟังเกี่ยวกับแม่วันนี้หมารลูกจงก็เป็นปัญหาจิงๆเป็นปัญหาของคนทุกคนของคนทุกคนกค น, นะาจะมากจะน้อยของคนทุกคนคือถ้าเรามองอย่างนี้นะยจะเห็นสภาพของอยังไม่ต้องอะไรเมื่อเช้านี้ สมคิดกับแฟนเข้ามาแล้วก็ถามว่าเออเป็นอยู่คนยังไงทางฝ่าแฟนเ็าบอกว่าบางทีเนี่ยเขาเหนื่ยน่เหนื่อยนเนีนะ่ยทางําแฟนก็จะมาพูดต่ท็อปเขาถามว่าก็ท็อปย่งตงท็อปบอกว่าวันวันไม่เห็นทำอะไรเลย นี่จะเดินไปเดินมาทำทั้งวันเลนะไม่ใช่หมายพอแฟก็พูดแย่ตอน <laughs> นี้เขาก็จะทุกข์เขาบอกเนี่ยก็จะเถียงกันถึงก็เลยบอกว่าคือจริงๆยอมสมคิด ก, ก็เป็นคนชอบหยอกชอบแย่ <laughs> ฉันก็เลยบอกว่าลักษณะนิสัยของยอมสมคิดเนี่ยกิเลสตัวเนี้ย อ, อชอบชอบหาคางสนุก บนความทุกข์ของคนอื่นออีกป่ายหนึ่งก็เครียดนี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในความรู้สึกหรือความคิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสร้างเหตุของความผิดหวังเมื่อเราเนี่ยคําพูดของเราการกระทําของเราเี่ยที่เราไปคิดหรือไปทำแบบคน อ, อื่นเป็นเหียดทําให้เขาทุกข์เป็นเหตุให้เขาผิดหวัง เห็นเนี่ยสร้างเหตุใความผิดหวังฉันก็เลยบอกว่าหลักการที่พึ่งปฏิบัติต่อกันฉันถามบอกว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยเคยเคยเคยพูดสิ่งดีๆต่อกันเยอะๆเขาบอกจริงๆก็มองกับมอ ง, ม, องมันมีความรักต่อกันเยอะเหมือเนี่ยเพรว่าแม่กับลูกสามีภรรยาพ่อลูกทั้งหลายแต่โดยมากเราจะไม่ค่อยพูดออกมาไม่ค่อยแสดงออกมา ตื่นขึ้นตอนเช้าเนี่ย แ, แทนที่จะบอกฉันเลยบอกว่าแทนที่จะบอกว่าบอกกับภรรยาบอกว่าเนี่ยรักนะเป็นห่วงนะใช่ไหมเธออย่าเสียศรัทธาในฉันนะเธอเคยศรัทธาเคยเชื่อมั่นยังไงว่าฉันจะสามารถนําชีวิตครอบครัวไปสู่จิตมหาไตรทางที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เนี่ยขอให้เธออย่าอย่าเสียศรัทธาอย่าเสียอย่าเสียความเชื่อมั่นตรงนี้น เพราะฉันยังมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตนำพาชีวิตไปให้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้ตามศักยภาพตามความสามารถที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันยังมีความมุ่งมั่นอยู่เนาะถ้าหากฝ่ายชายพูดแบบนี้ฝ่ายหญิงก็จะมีกำลังใจไหมกม็เหมือนกันในกรณีที่ถ้าภาคปฏิบัติการกรณีที่โยมอยู่กับลูกเพราะว่า คนเราที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่หน้าไอ้ที่ความเชื่อมั่นเนี่ยสำคัญนนะถ้าหมดความเชื่อกันเมื่อไหร่แล้วมันหมดเลยนะจะไม่ชีวิตครอบครัวทั้งหลายเลยลูกไม่เชื่อมั่นพ่อแม่พ่อแม่ไม่เชื่อมั่นลูกมันไปแล้วไปไม่ได้คือมันไม่เชื่อกันกันเลยมันหมดเลยนะตอนนี้ถึงจะทํำยังไงมันกลายเป็นคนละเรื่องกันเลยตอนี้ฉะนั้นความเชื่อมั่นกันมันถึงสําคัญทีนี้ความเชื่อมั่นมันจะต้องเกิดจากการกระทำที่เห็น เพราะว่าเหมือนโยมเนี่ยชีวิตของโยมเนี่ยที่โยมเดินออกจากครอบครัวเพื่อไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมันมาจากอะไรมาจากเชื่อมัน่นเชื่อว่ามัน่นเชื่อมั่นว่าคนคนนี้จะเป็นเพื่อนหรือจะสามารถจับมือร่วมกันดําเนินชีวิตเพื่อไปถึงจุดหมายปลายทาง ป, า ป, ปราบปัญหาอุาวุรสและจะสร้างชีวิตครอบครัวที่ดีที่สุดใช่ไหมล่ะมันมาจากตรงนี้แหละ แต่พอไปอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยผู้ชายไม่รู้สภาพชีวิตจิตใจของผู้หญิงเนี่ยอันนี้คือความทุกข์ที่ผู้หญิงจะคิดมากกว่าผู้ชายไอ้มุมเนี้ยผู้หญิงจะคิดมากกว่าผู้ชายยิ่งทําตัวเองเนี่ยไม่เข้าใจกระบวนการตรงเนี้ยว่าผู้หญิงเริ่มลดหมดความเชื่อมั่นไปเรื่อยเธอก็เครียดเธอก็กุ้มเธอก็ทุกข์นี่ก็เป็นปัญหาปัญหาที่สองก็คือสภาพผู้หญิง โครงสร้างกรรมที่ทํำมามันมีภาะวะความเปลี่ยนแบลงในร่างกายเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งแม้จะหมดเรื่องเหล่านี้มันก็ยังมีภาะวะความที่ไม่ได้ดุลยภาพจากฮอร์โมนที่มันหมดไปหรือมันเริ่มเสียดุลยภาพผู้หญิงจะมีภาะวะความเครียดความคลุ่มมากกว่าผู้ชายความทุกข์ความว้าววมากกว่าผู้ชายถ้าไม่เข้าใจในตรงนี้คนที่อยู่ด้วยไม่เข้าใจตรงนี้ถ้าเราไม่มีกระยาณมิตร เข้าใจว่าเนวาวาละที่เราว้าเวท้อถอยเขาจะให้กําลังใจเราอย่างไรเขาจะคอยเกื้อนหนุนเรายัางไงปลอบประโลมเราอย่างไงถ้ า, าไม่เจอคนที่ไม่ฉลาดแบบนี้ก็เสียเสียอีกในทุกจากการตั้งครรภ์ที่โยมเจอเป็นมาแล้วทุกจากการที่ลูกอยู่ในครรภ์นเนี่ยมันกังวลขนาดไหนแล้วจากการคลอดจากการดูแลและทุกตัวมันปัญหาตรงเนี้ย ม, มามากมายที่โยมเจออยู่ แต่กรณีที่ยมถ้ายมมีข้อมูลมีกัญญาณมิตรโดยบอกวิธีการว่าจะวางท่าทีทางใจยังไงจะปฏิบัติต่อสิ่งนี้อย่างไรยอมไม่ได้เจอตรงนี้มาตลอดเลยที่ผ่านายอมก็ทั้งอ่านทั้งฟังทั้งรลย์ต่างๆทั้งข้อมูลของเดิมๆของยอมที่ยมใช้มาทั้งหมดยอมย้อนกลับไปดู ชีวิตตั้งแต่เกิดมาจนถึงมาเรียนหนังสือจนเท่าถึงการแต่งงานมีลูกยอมย้อนดูเลยยอมจะเห็นเยอะใช้สติดึ ง, ด, งดึงเรื่องราวต่างๆมาวิจัยดูแต่ถ้ามาดึงตอนที่ยังไม่มีข้อมูลมันก็สเปกสปะปักถ้าไม่มีหลักไม่มีข้อมูลถ้ามีถ้ามีพระพุทธเจา้าเป็นหลักในการเนินชีวิตมีคําสอนของพระพุทธเจ้าบอกแล้วก็มีบุคคลตัวอย่าง เช่นอริยสังขาทั้งหลายเป็นแบบอย่างถ้าเรามีข้อมูลคือธรรมะเข้าใจกฎความจริงธรรมชาติแล้วย้อนกลับไปดูเราจะเห็นความว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกเพราะมันมีข้อมูลกลางตัวนี้เป็นตัววัดมันมีหลักการคําสอนนี่เป็นตัววัดแต่ถ้าหากว่าอยู่ๆให้ระลึกให้ระลึกกลับไปเนี่ยมันก็ระลึกแบบชอบใจไม่ชอบใจชอบใจหรือไม่ชอบใจ ดีใจเสียใจดีใจมันก็ได้แค่นี้เองแล้วก็ไม่สามารถจะเดินออกจากจากความทุกข์ความกัดันร่มตรงนั้นได้เอโ ย, ยมที่อยู่กับลูกก็ดีอยู่กับเพื่อนญาติมิตรก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาอย่างเวลาเกิดความเครียดความกุ้มขึ้นมาเหมือนโดนลูกสอ น, นี่ยโยมลูกศรที่มันเสียบอยู่ในอกเรานี่นั่นมันเจ็บปวดขนาดนั้นมันทกทรมานอย่างนั้นไอ้ลูกสอนเดี๋ยวนี้นมันปักมันเสียบอยู่นั่นแหละ ทีนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือคําพระธรรมเนี่ยถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตตรงนีๆๆ้ปุ๊บเรามาหาพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าหรือบุคคลที่เขารู้กระบวนการความเป็นไปของชีวิตเนี่ยใครก็ได้ที่เขารู้กระบวนการความเป็นไปของชีวิ ต, ตจิตใจของเราเป็นอย่างดีมองปั๊บเนี่ยเขารู้จักเรา <t> พระ <inside> พุทธเจ้ารู้จักเราใช่ไหมที่จริงคนที่ร <ivals> ู้จักเรามันก็น่ากลัวอย่างหนึ่งจริงๆยอมกลัวไหมกลัวคนรู้จักยอมไหมกลัวไม่กลัว ยอมแหวนกลมถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขารู้จักเราในคัวไหมถ้าเขามีความประทานอะเราไม่เคย <c oughs> เออเนี่ยวเวลาในพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นบุคคลที่ที่น่ากลัวสําหรับบุคคลที่ไม่ดีเพราะคนที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยเวลาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือแค่กระบวนการความคิดเขาก็รู้เราแล้ว พระพุทธเจ้ารู้จักแต่คนที่ไม่กล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ยเพราะกลัวว่าพระพุทธเจ้าจะรู้จักความไม่ดีของเรารู้จักความเครียดความทุกข์หรือกระบวนการความคิดวิจิตปัญจงของเราใช่ไหมแต่เราเนี่ยถ้าคนที่กล้าเข้าหาพระพุทธเจ้าปบพอกล้าเข้าหาพระพุทธเจ้ารู้จักเราและจะถอนลูกศรคือความทุกข์นี่ออกให้พ้นล้ตรงนี้นะครับ ฉะนั้นเวลาเราถ้ามองดูเนี่ยชีวิตที่ผ่านมานี่นะโยมทบทวนดูน่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความไม่รู้ของเราเนี่ยเราก็ใช้กระบวนการความคิดที่ที่ไม่ถูยขึ้นตัวเองเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเอ ง, เองแล้วมันก็วนอยู่เนี่ยจมจมอยู่กับความทุกข์ความเดืดอดร้อนอยู่ฉะนั้นตรงเนี้หนึ่งตัวปัญหาที่มันเกิดขึ้น ตัวสภาพปัญหาเนี่ยขอบเขตปัญหาแรกๆมันมันขนาดนี้แต่ด้วยการที่เราซ้าเติ ม, มเรื่อยปัญหามันก็เริ่มขยายวงกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นเราก็ไม่รู้วิธีแก้แล้วก็ซ้าเติมไปเรื่อยๆและจนในที่สุดจริงๆเนี่ยปัญหามันก็เริ่มมากขึ้นตามมาอย่างที่เราเห็นอยู่เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราเป็นคนมีเจรนาดีนะ แต่ตัวปัญญาตัวความรอบรู้ยังไม่ถึงฉะนั้นต่อไปเนี่ยเราแค่เจตนาดียังไม่พอแค่ความตั้งใจดีอย่างเหลือไม่พอต้องพัฒนาข้อมูลความรู้เนี่ยให้ทันให้ทันต่อสภาพของปัญหาที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่โยมต้องต้องเข้าใจอีกอย่างก็คือไม่ว่าจะชีวิตของเราไม่ว่าจะชีวิตของลูกแล ะ, ะชีวิตของทุกคนนี่ย ไอสภาพของปัญหาเนี่ยมันมันมันขยายตัวมันตลอดมันไม่คงที่นะสมมุตินะฉันบอกว่าบอกโยมไปวันนี้บอกอย่างบอกเมื่อวานโยมก็ไปปฏิบัติแบบที่บอกเช่นก็ลูกนิยานะน้ำนะแม่วางไว้แบบนี้นะถ้าลูกอยากกินก็กินไม่อยากกินก็ไม่เป็นไรนะแม่มีความสุขจากการได้ทำให้กับลูก แม่จะลงไปข้างล่างแม่จะไปทําไปทุล้านะลูกจะไปกับแม่ไหมเขาอกไม่ไปไม่ไปไม่เป็นไรนะนี่แม่เป็นห่วงลูกแม่รักลูกนะเดี๋ยวแม่ไปทุล้าไปเสร็จไปทำกิจกรรมไปเสร็จเดี๋ยวแม่จะ ม, จะมาหาลูกคือคคือโยมโยมวางท่าทีได้ระดับหนึ่งแต่พอพอกิเลส ข, ของเขาตัณหาของเขาความกำหนัดของเขามันวิกฤตกว่าเดิมเขาเห็นว่าโยมเนี่ย ไม่เป็นไปอย่างที่กิเลสในใจเขาต้องการกิเลสในใจเขาต้องการจะทํำยังไงก็ได้ยมเครียดยมทุกข์ยมขอมทรมานเขาจะวิจิตมากขึ้นเพราะยอมรับรับสถานการณ์ไม่ทันใช่ไหมเขาจะมีอากัปกิริยามากขึ้นทำลายตัวเองทําอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่จะต้องมีอะไรที่มันมากกว่าเดิมที่จะต้องให้ยมปั่นทุกข์ในใจให้ได้เพราะยมไปเจอสถานการณ์นั้นยอมซึ้งกว่าเดิมเลยมองเห็นไหม ขับซุดตัวอีกเพราะว่าอะไรเพราะสถานการณ์มันมันเย็ดมันเขาทําตัวเหมือนเขาแย่ลงแย่ลงเราไม่ได้พัฒนาปัญญาที่จะแก้ไขสถานการณ์ให้ทันท่วงทีต่อเหตุการณ์นั้นนั้นขาดคำว่าป ฏ, ฏิภาณหรือนะขาดปัญญาโดยนี้ขึ้นมาเรียบร้อยเลยยอมก็จมอยู่กับความทุกข์วุ่นลุ่นกว่าเดิมเลยตรงนี้เราก็พยายามทําดีแล้วเราก็วางใจอย่างที่พระบอกแล้วแต่ทําไมมันแย่ลงอย่างนี้ก็ไม่รู้ ยอมก็ออกไม่ได้อีกนั้นมันจะมีสภาพของความวิกฤตมากถ้ายอมไปเคยเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งที่เป็นเด็กเกเรเนี่ยเด็กเอาใจใจตัวเองเนี่ยทีนี้ไม่ไม่เนี่ยเขาต้องการอะไรเขาดิน้นดิ้นดิ น, ด, น, ด, นดินแล้วต้องให้แล้วนักข้านข้าเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ oh, ไม่ไหวแล้ว เราตามใจมามากเกินไปแล้วต่อไปเราจะไม่ตามใจแล้วเขาก็ดิ้นดินดินแต่ถ้าดิ้นอยู่แค่เดิมเราบอกไม่เป็นไรแต่เจ้านี้มันดิ้นมากขึ้นมันทําร้ายตัวเองมากขึ้นในที่สุดยิงยอมก็ยอมก็ทุบอีกเครียดอีกนะเขาก็ไปยอมอีกทห็นไะหเพราะยมปัญญาไม่พอปัญญาไม่ถึงไม่รู้จะจัดการยังไงไม่มีอุบายวิธีไม่มีวิธีการทั้งปัญญาที่จะเข้าไปรู้ไปรู้ เหตถึงความเสื่อมเหตุถึงความวิบัติเราก็ไม่รู้ว่ามันจะวิบัติมันจะเสื่อมไปแค่ไหนเหตุถึงความเจริญยอมก็ไม่รู้อุบายที่จะรู้ว่าทำอย่างนี้มันจะเข้าถึงความเจริญทำแบบนี้มันจะเป็นเหนเข้าถึงความเสื่อมความวิบัติการที่ไม่มีปัญญาที่จะสามารถรู้ว่าอนาคตอะไรจะเกิดัมไม่เห็นตรงนี้แหละคือสิ่งที่ยอมต้องเพิ่มเติมทุกวัน ยยนั่นแ่ะคือปัญหาที่ที่บอกไว้เพราะว่าถ้า ม, มันเหมือนว่าเพราะว่าสถานการณ์มันจะเปลี่ยนตัวมันตลอดเนาะ ย, ยมต้องเข้าใจนะมันเปลี่ยนตลอดว่ามาพูดคำนี้ยมก็ต้องบอกว่าจะเพิ่มยังไงย <c oughs> ตรงนี้แหละว่ามันมันเป็นอย่างนั้นเอ่อในขณะที่ยมยังไม่สามารถพัฒนาด้านคุณธรรมในใจภาษาพาเพื่นจริยธรรม ทั้งด้านศีลทั้ทงด้านกลุ่มสมาธิทั้งด้านกลุ่มปัญญายังไม่แข็งแรงพอนี่เโดยเฉพาะปัญญาที่ก็ไปรู้เนี่ยพอรู้อะไรปุ๊บกิเลสความโลภ ก, กดหลงความเห็นผิดๆทั้งหลายเนี่ยมันจะเรียนรู้มันจะเรียนรู้อยู่มันจะเรียนรู้ในสิ่งที่ปัญญารู้หนักเข้าอ่ะข้อมูลเดิมๆ ม, มันไปแก้ไม่ได้เพราะมันรู้แล้วมันมันทันแล้ว จนมนุษย์เนี่ยพัฒนาข้อมูลปัญญาความรู้ตรงนี้จนอยู่เหนือมันได้เมื่อไหร่เพราะอยู่เหนือมันได้ก็เลยถ้ามองอย่างนี้มองหินทะเลกับฝั่งทะเลเนี่ยจะเล็กจะจะแคบแต่ฝั่งก็สามารถกําหนดขอบของทะเลนั้นได้ถ้าทะเลกว้างขนาดไหนขอบทะเลก็ไม่เคย ไม่เคยที่จะหมดไปขอบก็สามารถกำหนดขอบเขตของทะเลได้จะกว้างขนาดไหนมปัญหาจะจะเล็กจะใหญ่จะขยายตัวมากขนาดไหนแต่ไม่สามารถเลยขอเลยขอบของปัญญาหรือ เ, เลยอนุภาพของปัญญาได้มนุษย์ที่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกระดับทุกขั้นตอนเพราะมนุษย์นั้นพัฒนาปัญญาเช่นอย่างพระพุทธเจ้าพัฒนาปัญญาได้สมบูรณ์แบบ สาวของพระพุจาที่มีต้นฉะนั้นเวลาเขาเจอปัญหาใดๆก็แล้วแต่เขาจะมีตัวปัญญาที่เฉียบพันตรงนี้ที่พัฒนาไว้อย่างดีแล้วเนี่ยไปเห็นความจริงตรงนี้แล้วแก้ได้โยมพอมองออกนะอันนี้จะพูดให้เห็นก่อนว่าปัญญาดีจริงๆนะเมื่อมนุษย์พัฒนาไปแล้วมันจะมองอะไรได้ทุกขั้นตอนและจะสามารถจัดการกิเลสในใจหรือความทุกในใจของเราได้ถ้าถ้ า, าความสามารถถึงจริงก็งสามารถไปแก้ปัญหาในทุกในใจคนอื่นได้ คือลูกศรมันปักตัวเองถ้าถอดออกได้มีความสามารถในการถอดออกจนสามารถเราไม่เราประรักษาเราเราไม่ทุกข์ได้ทีนี้เมื่อเรามีศักยภาพมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแต่นะเราเห็นความทุกข์ของคนอื่นคนคนนี้มีความสามารถแล้วจะมีอุบายวิธีในการที่ไปถอดลูกศรจากคนอื่นได้ด้วยบอกวิธีที่จริงก็คือการชารนฉลาดในการบอกวิธีการเพื่อให้คนนั้นถอดลูกศร อ, ออกเขาก็จะหมดความทุกข์เป็นต้นเลย เมื่อวานมาทึกบอกโยมว่าเอออามาไม่ได้มองปัญหาติด็กเลอามามองปัญหาโยมก่อน <c oughs> เพราะว่าโยมจะต้องเป็นผู้ไปดูแลเป็นผู้ไปอยู่ใกล้แล้วก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเด็กตลอดยังไงก็แยกออกเอนไม่ได้ว่าความเป็นแม่ความเป็นแม่และลูกเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่ที่เขาเกิดตั้งแต่อยู่ในครรภ์เราจนถึงเขาตาย หรือเราตายใช่ไหมนั้นเอกภาวะที่ยังเป็นอยู่ตราบใดมันลาออกจากความเป็นแม่ไม่ได้เขาก็ลาออกจากความเป็นลูกไม่ได้จริงไหม<ช>เออนี่แหละตรงนี้มันลาออกไม่ได้แต่ไอภ า, าวะที่ลาออกจากความเป็นแม่เป็นลกูกกันไม่ได้อ่ะมันต่างจากสามีนะ<า>เอาสามีเนี่ยมันยึติกันได้เร็วเพราะว่าถอดใบทะเบียนสมรสออกเมื่อไหลยปุ๊บหมดหน้าที่กันแล้วใช่ไหม จะสบายหรือไม่สบายไม่รู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยมันยุติกันได้ไงแต่พ่อแม่เนี่ยมันยุติกัรไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นสมมติที่ต้องตายจากถึงจะหมดถึงตายแล้วยังมีหน้าที่ทาต่อเลยหน้าที่ก็คือเหมือนถามว่าใครมาก่อนเราพ่อและแม่มาก่อนถ้ท่านทิ้งเรียกว่าปุรัตถิมาทิสเนี่ยไปทิศเบื้องหน้า พ่อท่านมาก่อนเราเกิดก่อนเราแล้วก็เลี้ยงดูชีวิตเรามาพ่อแม่จังมีอุปการะคุณกับเราใช่ไหมเออพ่อแม่จะมีอุปการะกับเราเ อ, อ, อ, อุปกาะกรากาะข้างเราก็คือพ่อแม่ในมีหน้าที่<ม>ในการที่จะบอกว่าเมื่อมีลูกแล้วพ่อแม่ก็ต้องสอนลูกหน้าที่ของพ่อแม่ก็บอกให้ลูกว่านี้คือความดีนี่คือความไม่ดีอันนี้คือบุญนี้คือบาปนี่คือกุศลนะ ก, กุศลนี่คือควรทําไม่ควรทํา อันนี้เป็นสิ่งที่ทําไปแล้วอะไรจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าพ่อแม่ชาร์ชลาดตั้งแต่แรกเสียเนี่ยแยกแยะตรงนี้เขาเข้าใจแ ต, แต่แรกเนี่ยอันนั้นพ่อแม่ก็ทําหน้าที่ได้ได้ถูกต้องแต่แต่จะมีพ่อแม่สักกี่คนในโลกใบนี้ที่ไปเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆว่าความดีระดับต้นเป็นยังไงระดับการเป็นยังไงยันระดับสูงสุดเป็นยังไง ไอความดีลักษณะนี้ทําไปแล้วในทำความดีระดับนี้จะให้ผลแบบนี้ความดีระดับนี้จะให้ผลดีอย่างนี้ความดีระดับสูงสุดจะให้ผลอย่างนี้ความชั่วเป็นยังไงความชั่วระดับนี้ให้ผลแบบนี้ความชั่วระดับกลางเป็นอย่างนี้ความชั่วระดับสูงสุดเป็นอย่างนี้จะมีพ่อแม่สักกี่คนที่จะแยกแยะรายละเอียดให้ลูกได้เพราะพ่อแม่ไม่มีข้อมูลเหมือนกันแล้วก็สืบทอดจากการที่ไม่ได้รู้รายละเอียดของกระบวนการกระแสชีวิตเลย ว่ากระแสะชีวิตมันมีสองส่วนเนี่ยส่วนที่เป็นรูปธรรมส่วนหนึ่งส่วนที่เป็นนามธรรมส่วนหนึ่งไอ้ส่วนที่เป็นรูปธรนนปนนมปรม เ, เนี่ยเราจะดูแลยังไงให้จเจริญเติบโตยอย่างอยู่ดีไล่ไล่โรคยังไงอายุยืนยังไงคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างไงใช่ไหมอันนี้คือคือในส่วนของสุขภาพร่างกายในด้านของจิตใจนี่งๆเป็นเรื่องของรายละเอียดรายละเอียดอ่อนมากเพราะสภาพจิตใจที่มันมีกระบวนการที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีทั้งมีทั้ง ความจํานีความจําได้หมายรู้ไอ้ความจําได้หมายรู้เนี่ยมันสามารถจะจําเรื่องดีก็ได้จําเรื่องไม่ดีก็ได้ถ้าจํามนุษย์จําในเรื่องไม่ดีมากๆยมจําแต่เรื่องไม่ดีมากๆยมลองจําแล้วไม่ใช่ลองแยมเนี่ยจำมาเยอะมากความจําที่ไม่ดีทั้งหลายเหล่านี้มันเก็บไว้ในความทรงจําแล้วมันยังไปบวกกับตัวอื่นขึ้นอีกแล้วมันจะผุดขึ้นมาทําร้ายชีวิตจิตใจยอมตลอดเวลา ในความจำที่ไม่ดีทั้งหลายนี่ภาษาพระก็เรียกว่ากิเลสสัญญาปัปัญจะสัญญาอักกุศลสัญญาบาปสัญญาทั้งหลายสิ่งที่เป็นจำไม่ดีไว้มากมายเลยคือสิ่งเหล่านี้ไม่เคยหมดไปกับชีวิตจิตใจนักยมเลยแนักยอมไม่มีวิธีการเงี้ยไม่มีวิธีการจะเอาความจำที่ไม่ดีออกหรือจะฉลาดในการที่จะจัดการอย่างเงี้ยไม่มีวิธีการแล้วคนทั่วไปก็เป็นแบบนี้หมดนั้นความจำไม่ดีขึ้นมามันก็มาทําร้าย ทั้งท่านทีกเจ้าคนนั้นเนี่ยที่เรามองว่าคนคนนั้นทําร้ายเราประพฤติไม่ดีกับเราสิ่งแวดล้อมที่มีดีเราเจอเรื่องไม่ดีทั้งหลายทั้งทั้งสิ่งเหล่า น, นี้มันหมดไปแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นมันไม่เคยหายไปจากชีวิตจิตใจเลยทิ้งส่วนนี้และมันยังไปบวกกับความรู้สึกสุขทุกข์กที่เขาเรียกไอตัวเวทนาความทุกข์ความสุขเพราะมันมันมันพอสองส่วนมาบวกกันนะทั้งตัว ความจํากับความทุกข์ทุกขเวทนะทุกใจพอสองสองสกลุ่มมารวมกันขึ้นมาเนี่ยจากจากตัวเสวยอารมณ์เนี่ยพอไปจําเรื่องไม่ดีมันก็เสวยอารมณ์ที่ไม่ดีกินอารมณ์ที่ไม่ดีพอเสวยอารมณ์ที่ไม่ดีกินอารมณ์ที่ดีไอ้สองส่วนเนี่ยรวมกันไปเสร็จก็มาปรุงไอ้ส่วนปรุงแต่งม่อีกแล้วเขาเรียกสังขาระธรรมมันก็เริ่มปรุงแต่งปรุงแต่งทุกข์ขึ้นมา จากจำเรื่องราวที่ไม่ดีที่เราจำไว้มาปรุงแต่งแล้วแเราเล่าเพราะปรุงแต่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสภาพใจเราก็ทุกขทรขมานะปรุงอยู่นั่นแหละปรุงแต่งอยู่นั่นแหละปรุงปรงปุงทุกข์ปรุงแต่งทุกข์มากขึ้นมากขึ้นจิตใจเราก็จะได้รับความทุกข์ความทรมานความทุกข์ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วแเราเล่าเสรจเสร็จน่าเข้ากับเทือนถึงรูปกระทม ผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเย็นกระดูกเทื่ยในกระดูกไตตับจน ถ, ถึงสมองลาไปแล้วมันเป็นอย่างนี้ตลอดเห็นไหมว่านี่คือคือรายละเอียดของการที่มนุษย์เนี่ยหรอโยมเนี่ยไปปรุงมันมาูจจ้าหาทเ่กี้ที่ผจพูดถึงศัตว์สังขารธรรมนี่คือการปรุงแต่ใช่ มันปรุงแต่งทุกก็ได้ปรุงแต่งสุกก็ได้แต่ว่าถ้ามันไปเกิดร่วมกับสัญญาที่ไม่ดีไปเกิดร่วมกับความรู้สึกที่ไม่ดีแล้วมันจะเริ่มมาปรุงม า, มาผสมกันแล้วมันปรุงเนยะความขดผู่ท้อถอยความลังเลสงสยัยความเศร้าซึมเหงาหมอยเนี่ยบางครั้งก็ฟุ้งซ่านบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็เกลียดบางครั้งก็กลัวนี่มันปรุงอย่างนี้นะบางครั้งก็หลงไม่รู้ พุ่งสร้างลำคาญใจเพ่อเจอทั้งหลายเนี่ยความไม่ละอายต่อบาป ค, ความไม่กลัวต่อบาปทั้งหลายว่นี้เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยความพุ่งสร้างทั้งหลายเรื่างนี้กาปรุงเต็มไปหมดนะ น, นี่ไงพอมันปรุงอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นจนชำนาญแล้วยอมไม่เคยรู้เลยว่ายมได้ให้อาหารกระบวนการความคิดอย่างนี้นจนกระบวนการความคิดเหล่านี้โตแล้วมีพลัง มีพลังสามารถนำพาชีวิตจิตใจของโยมได้อย่างมากยโยมไม่ต้องเห็นเขาแค่โยมคิดถึงเขาโยมจะทุกข์จริงใช่ไหาคำว่าคิดเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปมองหน้าเขาเลยนะมันดึงมาจากความรู้สึกถดึงขแล้วยอมโยมก็อยู่อยู่กับไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงนะ มันอยู่กับเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดมันเป็นเรื่องจินตนาการเป็นเรื่องการปรุงแต่งทั้งหมดและมันทุกได้ทันทีเดี๋ยวนี้ก็ทุกได้เดี๋ยวนี้ก็โศกได้ก็หงอยเหงาได้ซึมเซาได้และทำมากมา ก, มา ก, ม, ากมากขึ้นยอมก็จะจมอยู่กับมันได้แล้วออกไปได้นิยมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้นิยมหนึ่งปัญหา สองเขตของปัญหายอมเห็นเนี่ยสองตัวนี้เห็นเนี่ยชัดไหมเห็นชัดแล้วนียมาถึงวันนี้ยอมอยากจะดับปัญหาพ้นปัญหาอยากอยา ก, อยากจะเข้าถึงภาวะความปลอดโป ร, ปร่งโรคเบาเอออย่างเงี้ยมันเนี่มาก็เลยต้องมาชียร์เห็นทียอมวะ่ายอมต้องวา ง, วางเป้าหมายวางจุดหมายไว้ ว่าเราจะต้องเดินออกจากปัญหานี้หรือฝ่าฟันปัญหานี้ไปให้ได้ถ้ายอมออกจากปัญหานี้ได้มันจะเป็นความปลอดโปร่งโล่งเบาแล้วมันจะเป็นความสุขถ้าดับทุกข์นี้ได้ดับปัญหานี้ได้นั่นแหละเป็นความสุขเป็นความสุขที่สุดถ้ายอมไม่มีจุดหมายนี้ยอมจะไม่มีกำลังใจง ที่จริงทรรมายางจะบอกโยวมว่าสิ่งที่โยมเจอมาทั้งหมดเป็นถือว่าเป็นความโชคดีโยมสามารถเชื่อไ้มว่ามันเป็นความโชคดีดค่ ถ, ถ, ถืกเจะไม่ดเอองตัวเองไมไม เ, น เ, องเนขนดนนงะธอที่บอกว่าโชคดีเพราะว่าออมองอย่างนี้ วิกฤตเนี่ยนะวิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสได้เหมดเลยถ้าหากเราเข้าใจมันวิกฤตทุกอย่างวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยหลายคนได้โอกาสจากมันจริงไหมวิกฤตการเมืองการปกครองวิกฤตสังคมเนี่ยหลายหลายคนที่ฉลาดสามารถเอาวิกฤตเป็นโอกาสพัฒน์ตัวเองได้แล้วก็ตั้งเนื้อตั้งตัวได้จริงไม่จริงเยอะมากเลยแต่บางคนที่ไม่าฉลาด วิกฤตเหล่านี้กลายเป็นความวิบัติอย่างมากเลยจริงไหมเยอะมากเ mm hmm. อางี้ว่าวิกฤตของโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นมามากมายเนี่ยมันทําให้บริษัทยามันทําให้คนคิดค้นทั้งหลายเนี่ยอัพตัวเองมัเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกก็ได้เนี่ยนี mm ่ hmm. วิกฤตเนี่ยมันเป็นโอกาสได้จริงๆนะแล้วมันบางทีถ้าเรามองอีกอย่า ง, างนึ่งก็เป็นโอกาสต่อการที่ทําให้มนุษย์พัฒนาอะไรเนี่ย พัฒนาปัญญาขึ้นมามาแก้ไขปัญหาเหล่านีน้แล้วก็สามารถที่จะป้องกันว่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นจะไม่ให้มาได้อีกเย็นเห็นไหมเรามองเห็นโอกาสได้เยอะแยะหมดนี่วิกฤตทันเป็นโอกาสจริงๆแต่ยอมจะมีปัญญาไปเห็นความจริงตรงนี้แล้วเอาคุณได้ประโยชน์จากความจริงนี้หรือไม่มันอยู่ที่การที่ว่าโยมจะพัฒนาถ้าโยมบอกว่าเจอวิกฤตของชีวิต แต่ถ้าความเชื่อมั่นต้องยอมวิกฤตหมดเลยนะยนี้ยอมหมดไปตัวหนึงเลยนะหนึ่งความเชื่อมั่นวิกฤตสองปัญญาวิกฤตวิกฤตปัญญาเสร็จเลยอยนะ่างเงี้ยแค่ขาดความเชื่อมั่นขาดปัญญาไปเป็นไหมไปไม่ได้เลยฮไปไม่ได้แล้ ว, ไไลวทีนี้ถ้ายอมเห็นวิกฤตของชีวิตอย่างนี้ปุบ๊บใครที่สามารถออกใครเป็นบุคคลคนแรกที่สามารถ พัฒนาตนเองออกจากความวิกฤตของปัญหาชีวิตได้โลกพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ า, าเนี่ยเป็นมนุษย์ท่านแรกของโลกของจั ก, กรวาลที่สามารถพันตัวเองเนี่ยพ้นจากอุปสรรคพ้นจากปัญหาพ้นจากวิกฤตีิได้แล้วพระองค์เป็นเป็นตัวแทนของมนุษย์เป็นตัวแทนของมนุษย์ท่านแรกพระพุทธเจ้าบอกว่า ดูก่อนพุทธบริษัททั้งหลายเราเนี่ยเป็นไก่ตัวพี่ถ้ายอมเข้าไปแอไก่ตัวพี่ไหมไก่เป็นไก่ตัวพี่พพที่ฝุดตนเองฝุดตนเองจากที่เป็นไก่ที่อ่อนแออยู่ในไข่ในกระป๋อไข่อะ่ะฝุดฝึกขากรงเล็บฝุกจมอยปากฝด ก, กําลังให้มันแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็ใช้จมอยปากเจาะเปลือกไข่ใช้ คงเล็บฉีกเปลือกไข่เดินออกมาจากความมืดมิดในเปลือกไข่เป็นอิสระเสรีภาพได้เป็นตัวแรกของโลกเออนี่เห็นไหมและที่พวกเราเนี่ยเป็นไก่ตัวหลังๆมันจะมีไก่อยู่สองกลงุ่มไก่ที่ในเปลือกไข่ไก่ประเภทหนึ่งมันมันไม่ยอมถันพัฒนาตนเองมันก็เลยตายตายอยู่ในเปลือกไข่ขยายใหญ่ แล้วก็ไม่สามารถออกมาสู่โลกว้างเสรีภาพพินท้นได้แต่มีไก่ที่เชื่อไก่ตัวแรกที่ท่านบอกวิธีว่าจะอยู่ในอุณหภูมิยังไงจะปรับตัวเองยังไงทําตัวเองให้แข็งแรงยังไงแล้วก็พยายามใช้จงอยปากเจาะเจาะเจะแล้วก็ฉีกเปลือกไข่ออกมาเดินสู่โลกกว้างเสรีภาพพินท้นได้เห็นไหมว่าไก่เนี่ยพุทธิ迦ตว์กไก่ตัวพีเ่เดินออกได้เพราะมีอุบายวิธีแล้วก็มาบอก ไข่รุ่นหลังๆทั้งหลายว่าจะออกจะเปิืกไข่ยังไงนี่อุปมาเนี่ย้่านพทธเจ้าเนี่ยออกจากวิกฤตของชีวิตออกจากปัญหาของชีวิตได้แล้วพระองค์ก็เลยวางหลักธรรมะหลักบอกความจริงว่ากดความจริงธรรมชาติมันเป็นแบบนี้ธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้สภาพของ กระบวนการความคิดของมนุษย์ที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายเสียเป็นอย่างนี้บอกวิธีการทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าบุคคลที่บุคคลที่ทำตามที่พระพุทธเจ้าบอกก็ออกจากปัญหาและประสบผลสำเร ด, นด้นี้แปลว่าอะไรหนึ่งยอมได้หลักก็คือได้ความเชื่อมั่นแต่ก่อนยอมไม่เห็นทางโดตอนนี้เห็นเห็นอะไรเห็นว่าพระพุทธเจ้าช่วยเร า, าเชื่อมั่นอยนีน้สอง เชื่อมั่นหลักการที่พระองค์บอกวิธีการที่พระองค์บอกธร ร, รมะที่พระองค์บอกธร ร, รมะเหล่านี้จะสามารถเมื่อเรานํามาเป็นข้อฝึกฝนพัฒนาตัวเราเองแนละ้วเราจะสามารถเข้าเป็นมนุษย์ที่พ้นทุกข์พ้นวิติตามตามพระพุทธเจ้าได้จะกลายเป็นทั้งพุทธะธรรมะสังฆะคือคนที่พน้นตามวิตกได้เห็นไหมเนี่ยยมเชื่อตรงนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดตรงนี้ถ้ายมไม่เชื่อ ทีนี้จากเชื่อตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อวานเนี้ยโยมก็กลับมาเชื่อโดยเชื่อมันน่นเต็มทีวันนี้ถามโยมว่าความเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าองค์ของพุทธะเชื่อมั่นหลักการคือธรรมะเชื่อมันม่นบุคคลที่พขาพ้นได้มีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงเนี่ยแล้วโยมเป็นมนุษย์เหมือนลูเจ้าเป็นไหม เป็นมนุษย์เหมือนกับบุคคลที่ก็า้นทุกข์คือสาวกพระพุทธเจ้าจริงไหมเชื่อมาั่นนะถ้ายอมเชื่อมั่นว่าตนเองเป็นมนุษย์เราจะปรึกตนเองปัญหาที่เราเจอเราจะหาวิธีการแล้วก็ออกจากมันถ้าเกิดความเชื่อมั่นตรง น, นี้แเรายอมยอมเนี่ยแค่เนี้ยมยมยอมได้มาเกินเกินห้าสิบเปอร์ซ็นตะ์แล้กําลังใจตรงนี้อย่างนี้เกินห้าสิบเปอร์เซ็นอย่างน้อยที่สุด ยอมต้องทําตนเองให้แข็งแรงให้ได้ก่อนที่ผ่านมายอมพ่อแม่มาเยอะๆไ ม, ม, ม, มแ่แต่ตอนนี้ยมต้องทำตนเองให้แข็งแรงนี่ประเด็นต่อมาคือหนึ่งเชื่อมัน่นก็คือศรัทธาความเชื่อต่อมาก็คือจากเชื่อมั่นนี่ก็ตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าพาระพุทธเจ้าใช้คำว่าฝึกมนุษย์เนี่ยอย่างที่บอกมาเนี่ยฝึกได้ จากอ่อนแอฝึกให้คนเข้มแข็งได้จากไม่เชื่อมัน่นฝึกให้เป็นคนเชื่อมั่นได้จากที่ไม่กล้าไม่กล้าเดินออกไม่กล้าออกจากความรู้สึกอย่างนี้ก็กล้ากล้าอาถรรพ์ได้จากเป็นคนเลอะเลือนบัานเปลือนรุ่มหลวงไม่จะทำอะไรเนี่ยตั้งสติได้ตั้งสติได้ไดมาดึงสติกับมาให้อยู่กับตนเองได้ดึงได้ไหมได้ไม่ได้รู้จักคาว่าสติ สติเนี่ยมันจะมีการดึงการตรึงการจับใช่ไหมสติเนี่ยมันจะมีลักษณะแบบนี้เช่นเรื่องราวทั้งหลายบางทีมันผ่านเข้ามาถ้าเราไม่ใส่ใจมันไม่สนใจมันปล่อยผ่านไปใช่ไหมแต่บางเรื่องถ้าเราสนใจปุ๊บเราใช้สติดึงดึงเรื่องนั้นมาแล้วก็ตรึงไว้แล้วก็จิตตั้งมั่นในเรื่องนั้นได้แล้วปัญญาไปสอบสวนวิจัยเรื่องนั้น นั้นเราใช้สติมี่ตอนนี้โยมมีไหมความรู้สึกแบบนี้สติแบบนี้มีไหม ม, มีใช่ไหมทีนี้เมื่อมีเนี่ยสติต้องยมสามารถปิดเรื่องบางเรื่องได้ไหมเช่นเรื่องบางเรื่องที่เราไม่อยากใส่ใจเราสามารถปิดได้ปิดได้ไหมหไม่ดได้ <laughs> เช่นบางทีเรื่อง นี่เรายังไม่ไม่อยากใส่ใจก่อนเพราะเรายังไม่เห็นทางออกย่อมสามารถปิดได้เหมือนเปิดลิ้นชักมาแล้วยอมปิดเข้าไปได้ไหมได้ไม่ได้นะ่าจะได้แต่ว่ายังทำไม่ได้ตรงนี้สําคัญเพื่อเพื่อจะได้ไม่ให้มันนิยอมเล่นเปิดทุกเรื่องเลยมันเปิดลิ้นชักนุ้ยมันยมยอมมีเล่นเล่นชักยีย่ห้าอัน ยมเปิดมาหมดเลยยมก็วิ่งอยู่นั่นใช่ไหมทาอะไรไม่เสร็จทั้เรื่องเลยตอนนี้นสภาพยอมเป็นอยังไงจริงไหมยอมปิดได้ไหมทําเป็นเรื่องๆได้ไหมทีนี้ไอสติสมัมปชัญญะตัวเนี้สําคัญมากเลยนะถ้ายอมเล่นเปิดมาทุกอันเลยและยอมก็วิ่งเล่นเป็นอะไรอยู่ อันนี้ก็จะทําอันนี้ก็จะทำอันนี้ก็จะทําผลปรากฏทําได้ไหม ไ, ไม่ได้สักเรื่องเลยนอกจากไม่ได้แล้วเป็นยังไงเหนื่อยไห ม, ไมเหนื่อยอ ย, ยิ่งเหนื่อยใช่ไหมเพราะปิดไม่ลงทีนี้อยอกปิดหน่อยได้ไหมเปิดเปิดเปิดเปิดเ ป, ด ป, ดปดถึงเวลาทําอะไรถึงเวลานอนนอนได้ <laughs> ถึงเวลาทํากับข้าว ก็อยู่กับการทํากับข้าวกิจกรรมของชีวิตตอนนั้นก็มีความสุขกับการทําตรงนั้นปิดเรื่องอื่นทําเฉพาะเรื่องนั้นมีสติสัมปชัญญะมีสมาธิมีความสุขมีความเอิบอิ่มใจในการทําในเรื่องนั้นพอทําเรื่องนั้นเสร็จหรือไม่เสร็จแล้วก็แล้วแต่บางครั้งเสร็จบางครั้งสมบูรณ์เอาละเราทําได้แค่นี้เต็มที่แล้วก็ปิดเรื่องนั้นก็ทําอีกเรื่องเปิดเรื่องมาก็ทําในขณะที่ทําก็ทําเต็มที่กันในเรื่องนั้น แต่ไม่ได้ทําด้วยความเพียรความคุ้มหมดเลมีความสุขมีความรู้มีความเข้าใจในกระบวนการในการทําในเรื่องนั้นแล้วก็ปิดเป็นเรื่องๆเรื่องๆ อ, อ, อย่างนี้ได้ไหมต้องลําดับใหม่หมดไหมชีวิตเนี่ยลาดับใหม่หมดเลยที่แรกมันเล่นวิ่งท่านเลยนะ่งเข้านะ่งเข้าโยมออกมาย่ําแย่มหาธาตุนี่เกศ อ, อยู่ในสภาพแย่เพราะอย่างนี้เออเนี่ยเห็นไหมบางทีมันต้องมามาลําดับ ลำบากกระบวนการความคิดเน่ยอันนี้ลงรายละเอียดให้หอันนี้ทําเฉพาะเรื่องพองพอทําเรื่องใดก็ทําเรื่องนั้นให้ดีที่สุดที่สําคัญที่สุดคือยมทําอะไรแล้วยอมเลื่อนลอยทําแบบเลื่อนลอยเขาเรียกว่าจิตมันไม่อยู่กับจิต ทำไปเนี่ยนะเขาก็เลื่อนลอยไปทจิตไม่อยู่กับจิตใช่คือทำอะไรก็ไม่มีเหมือ น, นคนเ้าเรียกว่าอถ้าไปหากลุ่มพวกหมอดูเขาบอกว่าผีสิงใช่ไหมเออยังมีองลองแล้วใชแล้วที่จริงเกี่ยวกับ ใจเรามันความคิดของเรามันเขาเรียกว่ามันพังมันเริ่มผังซึ่งลูกเป็นอยู่อาการแบบนี้ยลูกเป็นตอนนี้ยมก็กําลังเดินตามรอยเขาอยู่ใช่ไหมคร้บนะคร่าวๆยมเริ่มจะทําอะไรไม่ถูกคุณดูจะทําอะไรนะคร่าวๆก็งงในชีวิตอยู่อย่างนี้นบาคิดอะไรก็ไม่อออก้อนออกเออเลิก ต้องต้องปรับใหม่หมดเลยตรงนี้ทีนี้ปรับวิธีปรับก็อย่างที่บอกนอกี่แลยว่าปิดด้วยก่อนนี่มันอันนี้พอพูดอย่างนี้มันเหมือนจะพูดง่ายทํายากด้วยนี่ยากไหมยากไม่ยากไม่ยากมันทําได้นะที่พูดนีก็คืออย่าเปิดออกมาอย่างที่บอกมาทั้งหมด แล้วก็บอกว่าตนเองจะทําทำํทำจิต ด, ด้วยจิตที่ทํำจิตด้วยจิตที่สะอาดนะทากิต ด, ด้วยจิตที่ที่ดีทำํำจิตด้วยจิต ด, ด้วยจิตที่มีความเชื่อมั่นได้มีความกล้ากล้าทําจิตนั้นด้วยด้วยด้วยการที่ไม่ขาดสติมีสติกากับอยู่กับตัวไม่ฟันเฟืองไม่ลงทำจิตนั้นด้วยจิตที่ตั้งมั่น ทำกิจนั้นด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจเลยได้สองอย่างเลยหนึ่งทำกิจสองทำจิตทำได้สองอย่างควบคู่ไปแล้วเนะนี่ยเทนะี่เนี่ยเราจะไม่เลื่อนลอยไม่ฟันเฟือนไม่เลื่อนหลงในขณะทำกิจเห็นไหมหนึ่งจิตก็ถูกฝึกสองกิจหน้าที่นั้นก็เป็นไปได้ดีแต่ก่อนเนี่ยกิตนะเขาเรียกว่าทำดำําทำกิจกรรมของชีวิตด้วยจิตที่ไม่ดีเลย เขาเรียกว่าแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตในขณะที่ยอมทํากิจกรรมของชีวิตเนี่ยซักผ้าเอวยถูบ้านเออยผุงข้าวทากิจกรรมอะไรทั้งหลายยอมเลื่อนหมดเลยตั้งหลักมาต้องไม่แปลกแยกไม่แปลกแยกก็คือว่าอาศัยงานอาศัยกิจกรรมที่ทําอาศัยกิจที่ ท, ำทำําทั้งหลายเป็นข้อฝึก จิตของตนเองฝึกจิตของตนเองให้สมาธิกลับมาให้สติกลับมาให้ความเชื่อมั่นกลับมาให้ความกล้ากล้ากลับมาให้ให้ความตั้งมัน่นในจิตกลับมาแล้วก็ใช้ปัญญาสอบสวนวิจยัยแย่ๆในการทำในเรื่องนั้นให้จิตใจล่าเริงผ่องใสในการทำแต่ละอย่างนั้นมียอมต้องไปฝึกเยอะไหมเนี่ยเยอะไปเยอะ เออต้องไปฝึกตรงนี้ให้เกิดขึ้นพอทากิจใดๆปุ๊บถ้ามันยังไม่เสร็จมันเต็มที่แล้วอะไรแล้วตรงนั้นก็กล้าที่จะปิดไว้ก่อนแล้วก็ทำไว้ในใจว่ามีเวลาจะมาทำต่อแต่ตอนนี้พักในเรื่องนี้ไว้ก่อนก็หยุดพักมันได้แล้วก็หยุดกระบวนการความคิดตรงนั้นได้จริงปิดได้จริง มันปิดสวิสเลยเดี๋ยวมีเวลาจะมาทําตรงนี้ต่อแล้วก็ดําเนินในเรื่องอื่นต่อไปพอดําเนินในเรื่องอื่นต่อไปปุ๊บอันนี้มันดําเนินในเรื่องอื่นก็ทําเรื่องอื่นในขณะที่ทําเรื่องอื่นก็ปิดเรื่องอทุกเรื่องนั้นไว้ก็กิจที่ทําตรงนั้นก็ไปฝึกใหม่ใช่ไหมได้ความเชื่อมั่นในการจะทําในเรื่องนั้นทั้งกล้าวกล้าทั้งมีสติกํากับอยู่กับตัวทั้งมีสมาธิ ไม่ให้ความพุ้งซ่านก็ไปเครียดไม่ให้ความโมดถูท้อถอยเข้าไปถ้ามันจะเข้าไปเพิบก็ตั้งใจละตั้งใจขจัดออกตั้งใจขจัดออกเรากําลังจะดําเนินในเรื่องนี้เพราะฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนิยมได้นิยมไม่ต้องไปพึ่งเรื่องยาไม่ต้องไปพึ่งเรื่องอะไรนะยอมเข้าในเข้าทําในรายละเอียดมันได้ดจริงๆแล้วนักเข้านักเข้าแต่นี้ยอมก็แยกแยะเหตุผลได้แยกแยะองค์ประกอบต่างๆนี้ได้แล้วยอมก็จะสังเกตว่าโอ้เราฝึก บรรยากากิจกรรมชีวิทุกอย่างเหมือนเราอยู่กับลูกเราอยู่กับเขาก็คุยกับเขายอมสังเกตนะว่าพฤติกรรมเขาจะแรปรปรวนอย่าเอาแน่นอนเลยแล้วก็รับปากแล้วก็ไม่ทำนะบางครั้งไม่ได้รับปากเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่จิตของยอมก็จะตลอดเลยยอมไปแรงไปคาดหวัง นั่ยอมต้องตั้งความรู้สึกว่าอาการป่วยเป็นแบบนี้กายป่วยใจป่วยกายเขาป่วยใช่ไหมล่ะยอมมองว่าเขาเป็นคนป่วยไหมมองไม่มองไม่ได้มองอ่ามีมียอมมองผิดแล้วจริงๆเขาป่วยไหมป่วยนี่ยอมต้องต้องมองความจริงว่าเขาป่วยทีนี้อาการป่วยที่เขาเป็นตอนนี้ป่วยจิตจิตก็ป่วยนะ แต่ตอนนี้อก็มาเริ่มออกที่ร่างกายมาด้วย อ, อันนั้นไม่ต้องพูดถึงมันออกอยู่แล้วอันนี้ฉันจะต้องคือจิตก็ป่วยกายก็ต้องป่วยอยู่แล้วใ ช, ใช่ไหมจิตป่วยกายป่วยทีนี้เราเห็นเราอยู่กับคนป่วยพอมองอย่างนี้อาการที่คนป่วยทําหรือเป็นไปเสร็จยอมจะได้ตั้งหลักทางด้านจิตใจถูกว่า อาการป่วยมันเป็นแบบนี้ยมตั้งความรู้สึกกับเขาการุณาได้คาว่าการุณาก็แปลว่าอะไรโยมไม่ใช่เพระอะไรยามครับกรุณา เ, าเ็แปลว่าสงสารปราถนาให้เขาค้นจากทุกข์ใช่ไหมล่ะเมื่อยอมตั้งกรุณาในใจอย่างนี้ปุ๊ก ถ้ายอมไม่ระวังมันจะเลื่อนไปทุกข์ใจถ้ายมที่ยเกติดูนะถ้ายมกรุณาเหมือนอามานะถ้าอามาเห็นยมปุ๊บใจก็ทุกข์กายก็ทุกข์คุณภาพชีวิตยแย่ลงปุ๊บอามาการุณาได้ไหมได้แต่ถ้าอามาไม่ระวังนะอามาณ์จะขยอบไปกลายเป็นโทมนะเสียใจแล้วเก้อทำไมยมเป็นอย่างนั้นทำอย่างไรเนี่ยใจเนี้ย ไอ้กรณีอย่างนี้เขาเรียกกรุณาเทียมไม่ใช่กรุณาแท้ของเทียมก็คือไม่ใช่ของแท้ทําไมจึงจึงเกิดกรุณาเทียมอย่างนี้ได้เพราะเราไปกรุณาเขาแล้วเราไปบอกว่าเราช่วยเขาไม่ได้เราไม่สามารถจะเยียวยาเขาได้เราไม่สามารถจะให้เขาออกจากความทุกข์ความเก็บปวดความทรมานตรงนั้นได้เราคิดวนหลูบอยู่อย่างนี้ปุ๊บยอมก็เลยโผ ม, มานะ พกน้อยใจเสียใจเศร้าใจโง่หอยนี่อย่างนี้เขาเรียกกรุณาเทียมแล้วทายัางไงจะให้เกิดกรุณาแท้ <c oughs> กรุณาแท้ก็มีอะไรนํามีความรู้ความเข้าใจเป็นตัวนำํำภาษาพากเรียกมีปัญญาเป็นตัวนําถ้าเรียกให้สมบูรณ์แบบก็ <c oughs> เรียกว่ามีปัญญาเป็นปุเรจาริกมีปัญญานําหน้า มีปัญญาเป็นตัวนาเพราะยอมเห็นเขาปุ๊บคิดถึงเขาปุ๊บคิดถึงลูกเนี่ยคิดถึงใครก็แล้วแต่ที่เขาประสบความทุกข์เนี่ยยอมไม่ตั้งความรู้สึกไว้ว่าเราการุณาเขาคําว่าการุณามันช่วยสามทางนะยมเนี่ยหนึเอาใจไปช่วยเขานึกจากให้เขาพ้นทุกข์นี่ถือว่ายมได้ช่วยหรือยังในขณะที่คิดปรารถนาดีให้เขาพ้นทุกข์ได้ช่วยหรือยัง ถ้าจะช่วยอีกตอนหนึ่งก็คือว่ายอมนึกถึงความดีนะกุศลความดีที่ข้าพเจ้าทํามาทั้งหมดขออนุภาพของคุณของพระราชน้าไกลส ม, มันี้นะยอมตั้งหลักถูกแล้วแตเนี้ยด้วยบุญกุศลด้วยความดีที่ทําได้ยเห็นการเจริญกุศลที่ผ่านมาความดีทั้งหลายที่ทํามาทั้งหมดนี่แหละขอความดีเหล่านั้นจนอมคุ้มครองกระแสชีวิตลูกเป็นคนปลอดภัยนะนี่ยอมได้ตั้งกันหรือไง แต่ตอนนั้นยอมต้องดูใจยอมด้วยนะถ้ายอมน้อยเนื้อต่ำใจเป็นกรุณาไหมไม่เป็นยอมต้องชื่นใจที่ได้กรุณากับเขาอย่างนี้นี่เห็นไหมไม่ได้ไปมองที่เขาอย่างเดียวแล้วมองที่อะไรมองที่สภาพจิตใจของเราที่ใจเรามีพลังขึ้นมาใจเราอาถรรพขึ้นมาใจเ อ, อื้อิ่มขึ้นมาใจเกิดสุขขึ้นมาจากการได้คิดในสิ่งที่ดีๆนี้และคิดปรารถนาความสุขความดีให้แก่เขาอย่างนี้ แต่ไม่ใช่ว่ายอมคิดอย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาจะหมดทุกทันทีเลยแต่ที่แน่ๆก็คือด้านจิตใจเราให้แล้วส่วนเขาจะพ้นทุกเดียวนั้นหรือไม่พ้นทุกอันนั้นมันมีเหตุปัจจัยอยีกเยอะแต่ที่แน่ๆเราได้วางการุณาไว้ที่เขาหรือยังวางแล้วได้ทํากรุณาเกิดขึ้นในใจเราหรือยังเกิดแล้ว และกรุณาเวลาเกิดขึ้นมาสภาพใจก็เป็นใจที่ดีสภาพใจก็ดีความรู้สึกดีๆในด้านจิตใจมันไม่จะปวดขึ้นให้เห็นความดีในใจของเราหเห็นความดีของกรุณาของเราให้เห็นสภาพมันเหมือนต้นไม้ต้นกรุณาในใจของเรามันจเจริญเติบโ ต, ตองอกงามขึ้นานให้เห็นตรงนั้นก่อนนายยอมต้องฝึกอย่างนี้มา ก, มากๆแล้วให้สังเกตในสภาพจิตใจของโยมให้มากว่าตอนนี้กรุณามันจเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาจริงๆเลยเนี่ย เห็นเลยที่เรากรุณาเขานี่ด้านจิตใจก่อนนะเราเห็นแล้วทีนี้เราก็ฝึกฝึกฝึกความรู้สึกดีๆนี่บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆตอนนี้กรุณาเกิดง่ายขึ้นส่วนเขาจะพ้นจากทุกจะพ้นจากปัญหาหรืออุปสรรคหรือไม่อันนั้นคนละประเด็นกันคนละเรื่องกันมองออกยังเนี่ยคนละเรื่องคนละประเด็นแล้วแต่ความทุกข์ของเราไม่มี ความเครียดของเราไม่มีความกัดกรุ้มของเราไม่มีตอนนั้นกรุณาในใจเราเกิดตลอดนี่เรียกกรุณาแล้วไปคิดถึงเขาเมื่อไหร่ก็กรุณาคิดถึงเขาเมื่อไหร่ก็กรุณาก็เกิดขึ้นยิ่งคิดยิ่งมานาสิการทั้งหลายเนี่ยเราไม่ใช่คิดแค่เขาคนอื่นที่ประสบความทุกข์มีเยอะไหมโอ้โหเยอะเราสามารถแผรการุณาไปได้เยอะเลยนะตัวเราเองก็ทุกประสบความทุกข์เรากรุณาตัวเองก็ได้กรุณาคานอื่นด้วยสอง กราทางวาจาถ้าผลักดันออกทางวาจาเป็นไงพูดยังไงให้เขามีกําลังใจให้กําลังใจเขาพูดตอบโยนเขาทีนี้ยอมต้องสมมติเราไปพูดให้กําลังใจเขาเนี่ยยอมโดยมากเราจะไปคาดหวังว่าถ้าฉันพูดดีกับเธอเธอห้ามมีปฏิกิริยาไม่ดีกับฉันวิธีคิดแบบนี้ต้องเอาออก นั่นไม่ใช่ให้ปัญหาห้ท่านเูเวลาที่เราทำอะไรดีๆที่เขาเนี่ยเขาว่าจะตอบมาด้วยสเสน่น์ที่แบบก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า <c oughs> พูดจามไม่ดีทำ <c oughs> ให้เราเราแย่ไปด้วยเพราะเราตั้งใจเรามตั้งใจมากไงคะจริงจริงจริงๆไม่เกี่ยว <c oughs> ยอมยอมไปไปมองผลไปมองที่ตัวเขา <c oughs> ยอมกับไม่ได้มองว่าเราใช้วาจาที่เป็นกรุณากับเขาจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นกรุณาจริงจะไม่ทุกข์สมมติเราบอกว่าลูกกินน้ำนะสุขภาพของลูกจะได้ดีนะลูก<ะ>เขาโวยวายออกมาไม่กินจะมายุ่งกับฉันค<ะ>ให้ยอมมีความรู้สึกสุขใจบ<ะ>อกไม่เป็นไรลูกแม่แม่แม สุขใจที่ได้ได้หาสิ่งดีๆให้ลูกบอกเรื่องดีๆให้กับลูกส่วนลูกจะไม่พอใจแม่ไม่ว่าหรอกแม่ภูมิใจที่ได้ทําได้พูดเรื่องดีๆแม่พูดเรื่องแบบนี้ลูกจะตอบโต้มาไม่ดีไม่เป็นไรแม่จะไม่ทําความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นหรือถ้าแม่พูดอย่างนี้ลูกจะโดดลงไปดินก็ไม่เป็นไรนะ ทั้งๆ ท, ที่แม่ไม่ได้ปราถนาให้ลูกเป็นอย่างนั้นแต่ใจแม่จะไม่ทุกข์แม่จะมีความสุขกับการสิ่งที่สมควรทําให้ลูกอย่างไรก็จะทําถ้าลูกไม่พอใจก็บอกแม่จะได้ไม่ทําจะทําในสิ่งที่ลูกสบายใจในสิ่งที่ดีงามแต่ถ้เป็นไปได้แม่อยากทําหน้าที่ตรงนี้ลูกอย่าห้ามแม่ได้ไหม ถ้าจะอันนี้หมายถึงแม่แม่ขอจริงอย่างนี้จริงแต่แม่ลูกให้ไม่ได้แม่ก็ไม่ว่านะ <c oughs> ใช่ไหมอย่างกรณีที่แม่มาจัดยายให้ลูกเนี่ยหรือเอาน้ําให้ลูกเอาอาหารให้ลูกหรือพับเสื้อผ้าให้ลูกเนี่ยลูกอาจจะมอกว่าแม่มาทําความรําคาให้ลูกแต่ให้แม่ได้ทําหน่อยได้ไหยชีวิตมันอยู่ด้วยกันนี่นะลูก แม่อยากทำหน้าที่ความเป็นแม่แต่ถ้าลูกบอกว่าไม่ได้อย่ามายุ่งกับฉันอย่ามาทำให้ฉันก็ไม่เป็นไรเรืองเราก็ต้องอยู่ดัน ห, หรืวเราก็บอกเขาว่าก็ไม่เป็นไรลูกวันนี้ลูกอาจจะหงดหนิดเนะี่ยอาจจะหงดหนิดที่แม่ทำให้อย่างนี้ถ้าวันต่อไปถ้าลูกอยากให้แม่ทำให้อย่างนี้ลูกก็บอก หรือเอาอย่างนี้ก็ได้แม่อาจจะทําทําให้ลูกเห็นแม่ทําไว้ตรงนี้ตรงนี้นะให้ลูกอยากมานั้นก็มามาม า, มากินมาเอาเสื้อผ้าตรงนี้ถ้าลูกลาคานเห็นหน้าแม่ก็ไม่เป็นไร <c oughs> แต่แม่รักลูกนะแต่ลูกจะมีปฏิกิริยาเอะอวายวายกับแม่อย่างไงแม่ก็ไม่ว่าเพราะอันนั้นเป็นสิทธิ์ที่เป็นเป็นเรื่องของลูกแต่แม่ แม่อาจจะทําอะไรไม่เป็นคําว่าไม่เป็นก็หมายความว่าไม่รู้สภาพจิตใจของลูกว่าต้องการและไม่ต้องการอย่างไรแม่ขออภัยลูกตรงนั้นด้วยนะที่ทําให้ลูกไม่สบายใจแต่แม่เป็นเพื่อนของลูกตลอดในโลกใบนี้แม่มั่นใจว่าแม่เป็นเพื่อนที่ดีของลูกเพราะเห็นไมเราเราได้ทําได้พูดได้นั่นอย่างนี้ เ, เสร็จพวก การที่เขาเออะอะโวยวาก็เป็นปฏิกิริยาที่แสดงการตอบรับอย่างหนึ่งเข้าใจนะถ้าเขานิ่งแล้วไม่พูดเลยเนี่ยอันนี้ก็น่ากลัวว่าเขาพูดเขามีความคิดยังไงไอ้ที่เขามีปฏิกิริยาอย่างนี้เรายังยังมองออกว่าเห็นนี่เห็นพฤติกรรมว่าตอนนี้เขาเขาเจอสภาพชีวิตจิตใจเขาเป็นยังไงเขามองเห็นไหมเราก็ควรชื่นใจว่าเออเราเห็นแนละ้วแสดงว่าเขา เขายังมีปฏิกิริยาตอบโต้ตอ่ตอเราอ๋อดีใจแล้สึกดีใจว่าเขาตอบโต้เราเห็น<ช>ไหมตอบโต้ดีไม่ดีไม่เป็นไรแต่เห็นอ๋อตอบโต้ลูกยังมีปฏิกิริยาที่ยังยังพยายามจะรับรู้พยายามจะคิดเรื่องไม่จมอยู่กับตัวเองยังมีการเ อ, อ่อโวยวายข้างนอกบ้างเริ่มเห็นเไหมอ้าวตรงนี้เราก็ได้เลยไหมเนี่ยได้กรนนารณ์ ทางกายก็กรุณาทางใจทําเป็นแล้วกรุณาทางวาจา ก, ก็ทำเป็นกรุณาทางกายก็ทำเป็นและสามารถจะทําประโยชน์ให้เขาด้วยความการุณาทํารับหลังก็ได้ทําต่อหน้าก็ได้กรุณาเขา้าทางเขาไปไปขัดท่นนะ ข, ขาดเท้าเขาจะได้เข้าห้องน้ำสะอาดตอนนี้ก็าปวดมีความสุข ทำแบบมีความสุขไม่ใช่ทำแบบเลื่อนลอยแบบเก่าเแบบเก่ามันทำแบบเลื่อนลอยเครียดเงี้ยเดี๋ยก็เข้าไปทำแบบมีความสุขเออ <c oughs> เขาจะได้ปลอดใจเขาจะได้อากาศที่ดีเขาจะได้มีความสุขเสื้อผ้าเอยที่นั่งเออล้วทำให้แบบนี้ลูกเราเป็นแม่เราทำให้เขาดูเรา เ, น เ, น เ, ราเราจเริญกุศลของเราเราทำสิ่งที่ดีเขาจะใช้ไม่ใช้เขาจะดีใจพอใจไม่เกี่ยวแต่ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีเราก็ทำ ให้ความสุขเกิดขึ้นได้ไหมนี่เห็นไหมการไปทําในลักษณะนี้มันก็ได้รายละเอียดการไปทํามนขึ minute, ้อำก็เราก็มองให้มันดีสิอย่างนี้คือว่าเราได้ทํำจิตไหมแล้วทําจิตไปด้วยหรืจิตก็ได้ฝึกไปด้วยได้ทําไปด้วยจิตก็ได้ทําสมบูรณ์แบบไปด้วยก็ไม่แปกแยกแต่กิจกรรมทังชีวิต ตรงนี้ทุกเรื่องให้ยอมดาเนินอย่างนี้อันนี้คือรายละเอียดในการนี้พอทำอย่างนี้เส็เสร็จปุ๊บกลายเป็นยมได้ฝึกตัวเองไม่เหมือนก่อนเลยตรงนี้สภาพชีวิตจิตใจก็เริ่มมีกำลังขึ้นมาทีนี้ทั้งหมดตัเนี้การที่ยอมปึกจนทั้งกิตทั้งจิตของตนเองเนี่ย เข้าถึงความแข็งแรงมั่นคงเชื่อมั่นเข้าถึงความเพียรเข้าถึงสติเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาได้แต่ว่าประสบความสําเร็จยมประสบความสําเร็จแลระดับหนึ่งแล้วส่วนเขาจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเป็นผลพลอยได้แต่จุดหมายหลักโดยตรงคือยมเข้าถึงตรงนี้มองเห็นนี่ยังเด็กจริงๆยมทําให้ใครเออทําให้ตัวเองเออ เมื่อทําให้ตัวเองแข็งแรงปุ๊บนักข้าวยอมจะเริ่มมองสถานการณ์ออกมากขึ้นเพระจิตยมเริ่มดีปัญญาเริ่มแข็งแรงขึ้นมายอมจะมองสถานการณ์ว่าควรทําให้ควรทําอย่างไรสถานการณ์นี้ควรแก้ไขอย่างไรทีนี้มันจะตามมาอยู่เวลาเราจะรู้เขาเออะโวยวายเราก็รู้เขา้าใจไม่เออะโวยวายเราก็รู้ซึมหรือไม่ซึมสูบยาอะไรก็แล้วแต่เสพยาแรงต่างเราเข้าใจคือไม่ไปทุกกับพฤติกรรมของเทั้งหมด แต่เรามีโอกาสฝึกตนเองเดินทีมองตลอดว่าเขาป่วยอาการของคนป่วยก็แสดงออกไปต่างๆนั้นเราจะฝึกตนเองให้แข็งแรงและเมื่อเราแข็งแรงเราจะรักษาอาการป่วยทุกทางจิตของเขาเลยเราจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำและทำไปให้มีความสุขกับการเครับ ยากไหมจริงๆตรงเนี้ยถ้าเราก็เข้าใจได้นะยอมอยู่น้างนาอยู่กับในเรื่องจริงๆมีโอกาสให้ฝึกเต็มที่ด้วยจริงๆแต่ถ้ายอมวางท่าทีทางใจไม่ได้เนี่ยเคแล้วก็เนี่ยพอยอมฝึกเข้าไปจับในรายละเอียดได้อย่างนี้พก นักเข้านักเขาวเวลาลูกเขามีปฏิกิรีนักเข้าเนี่ยเมือ่อเมื่อโยมเนี่ยไม่หวังนไหวไม่หวั่นไหวไป <ใน S 1> ตามสภาพพฤติกรรมของเขาเขาจะยิ่งมีอาการ แ, งนะแ ร, มรงมากเออฝึกไปแบบ น, บบนี้เราให้รู้เตยว่าเขาต้องทำทุกอย่างเพื่ออะไร เพื่อให้เราหลุดให้เราหลุดหลุดจากความหลุดหลุดจากหลุดจากสติเขาต้องทําทุกอย่างให้เราหลุดจากสมาธิทําทุกอย่างให้หลุดจากความเชื่อมัน่นทําทุกอย่างให้หลุดจากความกล้าหาญทําทุกอย่างให้หลุดออกจากปัญญาถ้าตราบใดเรายังมีเรายัางเดินตามอํานาจของความเชื่อมัน่นความเปรี้วกล้าตามสติตามสมาธิตามปัญญายอยู่ถ้าเรายัางใช้บริการกระบวนการฝึกตัวเองอย่างนี้อยู่กิเลสในใจเขาจะยิ่งเกลียดเรา ถ้าจะเปียเพราะมันตรงกันข้ามไงมันตรงกันทางเข้าใจไแต่ถ้าหากว่านะนถ้าถ้ายอมยอมอยากจะอะไรกับเขาได้ก็คือว่าทำกิเลสให้เท่ากับเขาเลยมันจะกลายเป็นกลุ่มเดียวกับเขาไปเลยเหมือนคนที่ไปอาการทางกิดหลุดแล้วไปถูกขังอยู่ที่เดียวกันเขาสามารถที่จะคุยเรื่องเดียวกันเข้าใจหมดเลยตรงนี้ แต่ถ้าหากยอมมาฝึกตนเองออกมาด้านนี้ <S <S <ๆ>เขาจะไม่ชอบเลยเวลาเวลาเขากโกรธยอมถ้ากโกรธใครหรือว่าไม่พอใจใครเวลาคนนั้นจะโกรธจะด่าใครอะไรใช่ไหมเมื่อด่าแล้วเนี่ยไอ้เจ้านั้นมันยิ้มหน้าละลื่นมันไม่แสดงอาการโกรธตอบเนี่ยอแปลว่าความโกรธมันผิดหวังไงมันผิดหวังเดี๋ยเราทํามือมดิ<ๆ> ถ้ามีใครตําหนิเราทีมาคือเขาต้องการให้เราซุดให้ต้องการให้เราแย่ให้ต้องรานเรามีอาการกลัวแต่เรากลับไม่เป็นอย่างนั้นเลยถ้าเราไม่เป็นอย่างนั้นเลยยังใหม่ๆเขาจะโกรธเหมือนเหมือนพระผู้เหมือนเหมือนพระพุทธเจ้ามีคนคนหนึ่งว่าเขาโกรธเขาพระพุทธรรเจ้ามากเกลียดพระุทธเจ้ามากเขาวิ่งไป ตอนหน้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปชี้หน้าพระพุทธเจ้าบอกว่าบอกว่าฆ่าอะไรเสียได้ถึงจะถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าอะไรเสียได้ถึงจะนอนเป็นสุขพระพุทธเจ้าก็ยิ้มพระพุทธเจ้าก็ย้อนกลับมาบอกฆ่าความโกรธเสียได้ถึงจะไม่เศร้าโศกฆ่าความโกรธเสียได้ถึงจะนอนเป็นสุขหมดไหมคือที่ไปเจอคนแข็งแรงนี้คือคนนั้นก็หมดเลยถึงอาแจะโวยวายยังไงก็โวยวายแสดงอากับกริยายยังไง ก็แสดงกับปริยาไปมายกตัวอย่า ง, างนึ่อ ต, ตอนที่พระเจ้าเป็นพระพธิษัทมีพระเจ้าเป็นดินท่านหนึ่งก็ให้ให้ทหารทำร้ายท่านทำร้ายท่านเพราะต้องการจะทดลองว่าคนคนนี้มันมีความอดทนมีขันติจริงไนะ้มก็เคียน คือให้คนไปเคี่ยนท่านตีตีตีตีตีตีเนี่ยข้างละสองพันข้างท่านก็บอกว่ามหาบพิษขันติเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายสภาพของความอดทนเนี่ยเป็นนามธรรมมันเป็นสภาพที่ไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทสภาพที่ยอมยอมรับได้ด้วยปัญญา จริงๆเนี่ยท่านมีศักยาภาพมากกว่าพระเจ้เป็นดินแต่ท่านไม่คิดประทุษร้ายท่านข่มความโกรธของตนเองได้ดใครจะประทุษร้ายอย่างไรก็ไม่ไม่ว่าพระเจ้เป็นดินก็ยิ่งโกรธอย่างก็ให้คนเอามีดมาตัดแขนท่านแขนหลุดออกไปเนี่ยท่านก็บอกว่าขันติมันไม่ใช่แขนตัดขาท่านก็บอกขันติมันไม่ใช่ขานี้เป็นต้นเพราะขันติมันเป็น ทำมาทำมันเป็นความรู้สึกที่ไม่โกรธความรู้สึกที่ไม่กลัวความรู้สึกที่ยอมรับได้ด้วยปัญญามันไม่มีตัวตนหรอกแต่ว่าฝึกมาอย่างดีแล้วถ้าเป็นดินองค์นี้ก็โกรธแล้วก็รู้ยิ่งทำอะไรก็ลุกขึ้นก็ใช้เท้ากระทืบย่ออกขั้นกระทืบกระชืบกระทืบแล้วก็เป็นเด็กงองแงเดินจากไปเลย น, ะ น, นี่พูดเชี่้เห็นว่านี่ก็เหมือนกัน โยมเวลาอยู่กับคนที่มีปฏิกิริยาเขาจะทำกับเราครับโยมต้องมีขันติคำว่าขันตินี่ก็แปลว่าอะไรคาว่าอดทนตอนนั้นใจใจมีความสุขหรือไม่สุขยางนั้นก็ไม่เรียกขันติขันตินอกจากทนยอมรับได้แล้วต้องไม่โกรธไม่เครียด ไม่ ว, <in> วิตกกังวลไม่กลัวไม่กลัวเลยสถานการณ์นั้นไม่กลัวเลยทําไมถึงไม่กลัวเขาแปลว่าการยอม <ST> รับสถานการณ์ทั้งหลายได้ด้วยปัญญายอมเห็นอคติกริยาของเขาเนี่ยยอมยอมรับได้นะคําว่ายอมรับได้ด้วยปัญญาเขาบอกยอมจำนนกับยอมรับคนละอย่างกันนี้ยอมยอมรับพฤติกรรมเขาได้ด้วยปัญญาเพราะรู้ว่าที่ด ที่เป็นอย่างนี้มาเพราะอะไรและรู้ด้วยว่ายิ่งเป็นอย่างนี้ยิ่งจมอยู่อย่างนี้แล้วต่อไปจะเป็นอะไรแล้วจะจะประสบปัญหาชีวิตอย่างไรแล้วเขาจะไปถึงที่สุดแค่ไหนอย่างไรมันเห็นตลอดสายมันก็เลยยอมรับความจริงได้แล้วก็เลยตั้งมั่นกับการเห็นความจริงนั้นอดทนในการเห็นความจริงนั้นไม่สะดุง้งสะเทือนไม่หวั่นไหวไม่กลัวไม่วิตกกังวล ยอมรับสภาพนั้นได้ด้วยปัญญาที่เข้าไปเห็นความจริงรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเข้าใจคําว่าขันติย์ยังขันติเป็นแบบนี้ไม่ใช่กูทนครั้งที่หนึ่งนะทนครั้งที่สองถ้าครั้งที่สามฉันจะระเบิดอย่แหวนจะเป็นไหมถ้าไปไปอดอย่า ง, งานั้นมันจะเป็นอย่างนั้นแหละมันจะท น, ท น, ทนจะอดกลั้นอ่านเขาไม่ได้อดกลั้นเขาเรียกว่าฉันมีขีดจำกัดของฉันนะหรือฉันนับหนึ่งนะ ยังไม่ยอมหยุดใช่ไหมสองแล้วนะนับสามยายฉันนับเึ็นสิบนะละสิบฉันจะร ะ, ะเบิด ท, ทันทีแล้วจะระเบิดแรงด้วยอย่างนี้ไม่ได้มันมีว่าทนแบบตั้งรับกับทนแบบบุกฝ่าทนแบบตั้งรับก็คือในขณะที่เราอยู่ในพื้นที่ใดๆใครจะทํำยังไงไม่กลัวถูกไหมไม่กลัว ทนลําบากทนปรากตามทนแต่ทุกขเวทนาทนกับความเจ็บใจทั้งหลายอะไรเนี่ยไม่กลัวเลยไม่กลัวตั้งรักได้ทุกอย่างเพราะเพราะอะไรเพราะมีปัญญาคิดเห็นเหตุถึงผลไม่รู้อะที่เขามี่อการวายวายวายขึ้นมาเนี่ยรู้ด้วยว่าถ้าเราพูดอย่างเนี้ยคือเขาจะต้องคิดทุกอย่างถ้าเราเราบอกว่ากินน้ําดีก็บอกไม่ดี นอนหลับที่ลูกตอนนี้ดีเขาจะาร่ดีคือเขาจะต้องคิดตานนีคิดตานเรารู้ที่เรารู้อย่างนี้เพราะอะไรโยมอมแมลงป่องไอตัวมแมลงป่องเนี่ยเวลามันโกรธขึ้นมาอะไรไปแย่นิดหน่อยมันโกรธหมดเลยเขาย้าใจไหมนี่เป็นอย่างนี้หรืองูเห่างูเห่าที่มันถูก ถูกตีอะถูกๆุกแต่มันยังไม่ตายโอ้โหมันใครไปทําดีกับมันมันไม่สนเล ย, ต, <ส><น>อยตอนนี้ยค่เข้าใจยังมันโดนทุบมันอะไรทุบเขาความคิดของเขาทุบเขาการกระทําของเขาทุบเขา<ส><น>เขาเหมือนงูเห่าถูกตีแล้วตอนนี้ดังนั้นโยมก็ลองคิดดูยอมอ่านสรารการให้ขาดเนี่ยว่าเขาเหมือนงูเห่าโดนทุบต่างว่าเขาหาเรื่องเลยทุกเรื่องเลย ทกเรืองหรือไม่อย่างนั้นพอไอ้งูเห่าตัวนี้มันมันเหนื่อยแล้วมันเป็นยังไงมันก็ซดเนาะไม่สนใจใครไงมันเหนื่อยไงพอจะพักหนึ่งความมีแรงขึ้นมามันก็เป็นงูเห่าโดนทุบ อ, อีกอารวาสหมดไหมมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดใช่ไหมอ่านนะคะีค่ะมาจากอะไรยอมมองสถานการณ์ออกไหมยังไงออกเลยนะพอมองสถานการณ์ออกปุ๊บ าก็เริ่มแล้วเขาไม่ได้ทำเราเขาทุกเรื่องนะทุกเรื่องทีนี่เราจะปฏิบัติต่อเขาอย่างไรคำว่าขันติจาเป็นไหมขันติขันติแปลว่าอะไรการยอมรับได้ด้วยปัญญายอมรับได้ด้วยปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงทุกด้านที่เป็นอย่างนี้มาเพราะอะไร แล้วก็รู้ด้วยว่าเราอยู่ในสถานการณ์อย่างเนี้ยเราก็ต้องยอมรับแต่ไม่ใช่ยอมจานนเนี่ยเรายอมรับแล้วก็รู้ว่าจะปฏิบัติยังไงถึงแม้อาการเขาจะแบบไหนก็แล้วแต่เราก็รู้ว่าอาการนี้กําลังฟุ้งซ่านเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะสงบลงสงบก็ไม่ใช่เรื่องดีฟุ้งซ่านก็ไม่ใช่เรื่องดีเป็นเรื่องหน้าการุณาทั้งคู่ เพราะตอนนี้เขากําลังถูกกระบวนการความคิดที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายบงการเขาอยู่ถูกกิเลสบงการอยู่ถูกกิเลสครอบงำอยู่ถูกความคิดที่ไม่ดีถูกลูกศอนปักในในในกระแสความคิดเขาอยู่เหมือนกับลูกศรปักในร่างกายเขาอยู่เขาไม่สะยังไม่ถอดลูกสอนออกไม่ได้เขาก็ทรมานดิ้นดิ้นพานบรนพานตลอดเวลาใช่ไหมยริงไม่ยิงบางทีเนี่ยถ้าเขา ดิ้นสักพักหนึ่งเขาก็สงบลงทั้งๆที่ลูกศรยังปักอยู่นั่นแหละเพราะตอนนั้นพิษมันยังไม่แรงเท่าไหร่เขาก็ค่อยๆสงบลงสง บ, งสงบงข้าวพอลูกศรมันพอพิษของลูกศรมันซ่านเข้าไปอีกเขาก็ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้ น, นแล้วยิ่งเราไปพูดดีหรือไม่ดีด้วยเขาไม่สนเพราะอะไรเขาโดนลูกศรปักยอมเห็นสถานการณ์นี้ ทีนี้พอเป็นอย่างนั้นเบ็ดเสร็จปุ๊บตอนนี้โยมก็ต้องว่าเราไม่เอาลูกศรมาเสียบตัวเองแล้วดิ้นอย่างนเขาเป็นพอแต่ก่อนโยมเห็นเขาโดนลูกศรเสียบปุ๊บแล้วโยมก็เอาหยิบลูกศรมาเสียบเสียบตัวเองเสียบตัวเองเสียบตัวเองให้โยมก็ดิ้นตามเขาไปดินด้นดิน้นเจ็บไหมล่ะตอนนี้ไม่ดิ้นแล้วน ะ, ะคนตัดหัวฝา ทนแต่บกป่าทีนี้คำว่าบกป่าในที่นี้ก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้า อ, อุมาเหมือนพวกเหมือนช้างศึกช้างออกรบเนี่ยบกป่าไปข้างหน้ามันก็จะเจอเจอปัญหาเจอลูกศรที่มันยิงมาจากทิศทั้งสี่ก็ไม่สะทกสะท้านหวันไม่หวั่นไหวใช้งวงบ้างใช้หูบ้างใช้หางบ้างใช้เท้าบ้างปักป้องเล็งี้แล้วก็ฝ่าไปนฝ่าลูกศรไปเพื่อให้ชนะนี่เหมือนกัน ยอเจอปัญหาแค่เนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตั้งรับบุกฝ่าเปชิญปัญหาเพื่อจะกําจัดปัญหานี้ได้ดับปัญหานี้ได้เพื่อจุดหมายที่ประเสริฐที่เลิศก็คือ ด, ดับความทุกข์นี้ได้เข้าถึงความสุขให้พ้นจากปัญหานี้ได้ันไม่ใช่บุกฝ่าแบบแบบมั่วเนี่ยมีปัญญามีความรู้มีความเข้าใจว่าจะจัดการมันยังไงใช่ไหมนี่ก็เลยทนแบบบุกฝ่า บุกฝ่าฟันไปเราเห็นจุดหมายว่าเดี๋ยวเราจะพ้นจากตรงนี้ให้ได้ก็คือตัวเราเองไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหวต่อต่อสิ่งเล้าทั้งหลายที่มากระทบทั้งชอบใจไม่ชอบใจดีใจเสียใจทั้งหลายเนี่ยที่มันถมเข้ามาทุกด้านที่มันมันมั น, ม, น, ม, นมันผะมันมันเข้ามากระสือกาาระแสียชีวิตของเราทุกๆด้านไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงทางด้านจิตใจ เ ห, เหมือนพระพเหมือนพระธิจ้าที่เป็นพระโพศัต์ตอนที่ท่านเป็นโพศัตร์ท่านไม่กลัวเลยท่านไม่กลัวเลยรักษาใจไม่ให้โกรธ ถ, ถ้ามองแล้วมันจะโกรธท่านก็หลับตานะหลับตาหลับตาก็รักษาศีลตนเองไว้รักษาขันติความอดทนไว้ยอมรับได้ก็พิจารณาว่าสัตว์นี้น่าสงสารน่ากรุณาหนอถ้ามองดูตอนเนี้ย ระหว่างโยมกับลูกใครมีศั ก, ย ภ, ก, ก, กยภาพมากกว่ากันอ่าแม่มีศักยภาพมากกว่านั้นคนที่เรามีศักยภาพมากกว่าแล้วจะทิ้งเขาก็ได้จะทําอะไรเขาก็ได้หมดเลยแต่ จ, จริงๆแล้วเนี่ยแต่เราไม่ทําเพราะความกรุณาเนี่ยศักยภาพตรงนี้ยเราทนบุกฝ่ารักษาใจของเราไว้ไม่ให้เสียให้ใจเราเนี่ยอยู่กับความเชื่อมั่นให้อยู่กับความแกกล้า ให้ใจเราให้สติรักษาอยู่ให้สมาธิความตั้งมั่นไม่เสียไปให้ความอดทนความลวกล้าเกิดขึ้นอารมณ์ทั้งหลายมากระทบทั้งหลายก็ใช้ปัญญาเข้าไปสอบสวนไปวิจัยแยกแย ะ, แยะที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรทั้งหลายเหล่านี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็ก็สุดลงแล้วก็ฟูขึ้นสุดลงฟูขึ้นสุดลงอยู่นี้ตลอดเอาละเราจะทนบุกฝ่าในการที่ให้แข็งให้ใ ห, ให้เป็นบทฝึกเป็นข้อฝึกแล้วผ่านพ้นตรงนี้เราเราเริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มมองสถานการณ์ออก ในเข้าในาเข้าเราก็จะมีวิธีการในการที่จะคุยในสนขนาออไปทําอย่างนี้ให้เขาพอใจบ้างไม่พอใจบ้างไม่เป็นไรก็บอกเขาว่าแม่มีความสุขแม่รักลูกนึงที่แม่ทาอย่างนีง้บอกเข า, เขาก็เออโวยว้ A o y y, ไม่ต้องมาลักชั่งไม่เป็นไรจะเป็นแม่ฉันมีหน้าที่แล้วฉันไม่มีหน้าที่ไเปเกลียดลูกฉันมีหน้าที่แหละแล้วบอกว่า ไปไปใกล้ๆแล้วพ่กว่าลูกก็ไม่เป็นไรลูกอาจจะอยากให้แม่ไปแต่แม่ไม่อยากไปแม่อยากอยู่ใกล้ๆอย่าโมา้วยวายกับฉันไม่ได้วุ่นวายหรอลูกแม่ไม่ไปวุ่นวายเวลาคนรักเนี่ยก็อยากที่อยู่ใกล้ๆคนที่เรารัก ถึงลูกจะยังไม่รักแม่ไม่เป็นไรหรอกแต่แม่รักลูกแต่แม่จะไม่ไปวุ่นวายลูกหรอกอันไหนที่ลูกไม่ชอบลูกบอกไว้หรือแม่จะจับไว้แต่บางครั้งแม่อาจจะลืมนะเห็นไหม่าแล้วนั่นเราก็คุยเลยครับทั้งหมดเหล่านี้แปลว่าเขากําลังตอบโต้กันแล้วโอเคถ้าไม่คุยเลยเนี่ยดูน่าน่ากลัวใช่ไหมมีเริ่มคุยโอเค พอเขาเริ่มคุยเริ่มอะไรนะะ้าข้ามหน้าข้าเนี่ยกิเลสของเขาเรารู้นี่กิเลสที่เขาแสดงออกมาเราก็เริ่มคุยกับเขาแล้วก็ถามเขาลูกวันนี้ไปไหนไหมเขาบอกไม่ไปนะัเดี๋ยวแม่อยากจะไปทุร้ น, นะจะไปไหนก็ไป <c oughs> สมุนอยู่นะแล้วเขบอกอ๋อเดี๋ยวแม่จะกลับมานะแม่อยากจะไปทําทุร้เดี๋ยวแม่ไปไม่นานนะเดี๋ยวแม่กลับมา แต่ว่ากลับมาถ้าเห็นท่านหนูหลับหรือหนูอะไรต่างๆแม่ไม่รบกวนนะเดี๋ยวเด๋วแม่กลับมานะแต่หนูจะนอนก็นอนหนูอยากจะกินก็กินหนูอยากจะทําอะไรก็ทํานะที่มันเป็นสิ่งที่หนูทําแล้วเห็นว่าเป็นความดีเป็นสิ่งที่หนูมีความสุขกับการที่ทํา แ, แล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้ท้าทางความเดือดร้อนนี้กับตนเองนะบุคหนูทําได้ถึงแม่ยอมรับในในสิ่งที่หนูเป็น ยอมรับได้เราไม่ต่อว่าจริงๆยอมรับได้ด้วยปัญญาแม่ยอมรับได้ในสิ่งที่นึกในสิ่งที่ เ, เขาประทับทีนี้เ ข, เขาก็จะเริ่มไอความอดทนความมุ่งบุกบันฝ่าการกระทําเนี่ยมาเข้ามาเข้าเราจะชนะอะไรชนะกิเลสในใจคําว่าชนะกิเลสในใจเขากิเลสเขาจะแพ้ กิเลสเขาแพ้นเนี่ยยอมแต่เนี้ยโอ้โหมันจะสอนได้ตรงนั้นมันจะมันจะดึงเขาออกได้ตอ น, นตอนนี้กิเลสเขายังฟาดงวงฟาดง า, งาตั้ที่เลยนะยอมเนี่ยนั่นยอมต้องฟันฝ่าตัวเนี้ยบกฝ่าไปนจนสามารถชนะ ก, กิเลสในใจเขาได้โอ้โหแต่เนี้ยนะเข้านะเข้าเนี่ยเขาจะกลายเป็นคนยอมยอมทุกอย่างอันเนี้ยอมก็จะต้องไปเจออีกประเภทหนึ่งแนตะ่เนี้ยกิเลสอีกประเภทหนึ่งประเภทกิเลสประเภทไหนต่อแนตะ่เนี้ย กิเลสประเภททาอะไรไม่เป็นเลยแม่แตะพึดอันนี้ไปเจออีกด่านแล้วเดี๋นี้ยังไงนะเจ้พาพะพรวชนะเขาจะเริ่มยอ ม, ย อ, มอ่อนแ อ, อ, อนเป็นคนอ่อนแออะไรก็แม่อะไรก็แม่คนี้ก็ย่ัะนี่เขายัางโวยวายอยู่ยังมีจุดโวยวายอยู่ เ, เขาเขาเขาหดหูกทอดอยเขาโวยวายอีกอ่ะแต่หนักเข้าในอาการอาการโวยวายเนี่ยถ้าเราฟันฝ่าไปเรื่อยๆมันจะหายใช่ไหม น่าเข้าน้าเข้าก็กลายเป็นคนเด็กอ่อนแอเลยดินี่ก็น่าทิ้งโยมอีกแล้วแต่เนี้ยจะปกเขาขึ้นยังไงให้กำลังใจยังไงโอ้โหต้องมาเลี้ยงกันใหม่เลยอีกเยอะเลยดิเรื่องเห็นมั้ยแต่ว่าคือตอนนั้นไม่หมายถึงว่ในช่วงที่เราต่อซื้อเราก็ไม่ควรทำงานสิครับเพราะว่าตอนที่ทำงานอยู่เป็นเหมือนแบบฟูลาทเป็นทำเต็มเวลาเนี่ยนะครับเรา ไป่นไปนี่ไปน่อปนอะไรเงี้ยเราก็เราควรจะก็แยกโ<ข>ยก็ควรจะแยกว่าะจะทำสักครึ่งไม่ควรไม่ควรที่จะไม่ทำาลยก็เป็นคนทำงานพอทำงานก็ไม่มีเวลาเอออย่างนั้นก็เลยสุดต่ต<ข>งเดินองบาลานซ์ไม่มทำเหมือนที่เคยทำเพาะวมไม่มีเวลาแล้วก็ทำสักครึ่งนึ่งอยู่กับเขาขึ้น ให้เราแบ่งเวลาถ้าเราจะมาคุกอยู่นี้ตลอดยอมจะบริหารจิตใจตัวเองไม่ได้ไม่ได้รู้เพราะกระบวนการรู้ข้อมูลแค่นี้ยังยังเอาตัวรอดยากโ่มีเวลา่าัวเองเพราะว่าถ้าไม่ทำงานเลยงนู่แต่ว่าไม่มี้ถ้าตรงมีเวลาเป็นของตัวเองใช่ เาไม่เคยยไม่เคยเคยเป็นของสามีไม่ก็้ทำงานไม่ไดมีสามีแน่แหละเยอะเยอะทำยังไงพโยมมีเจตนาเลือกที่จะทำแบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แต่ก่อนแต่ฟ้าเขาโยมยังไแข็เขาจริงๆเราเราเลือกที่จะเป็นได้เลือกที่จะทำได้ไอตัวปัญญาที่โยมรู้แล้วเข้าใจแล้วนี่แหละจะไปปรับดุงปรับปรับ หลับดุลยภาพทําให้ได้ความสมดุลได้สมรตาทำได้ดุลยภาพในการดําเนินชีวิตแต่ก่อนมันมองไม่เห็นทรัพย์ข้างนอกเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยเ อ, อื้อปัจใจเท่า น, นั้นเองถ้าไม่ได้มองว่าทรัพย์ข้างนอกเนี่ยมันมันดีหรือไม่ดีก่อนมันเพียงแค่เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยที่จะทําให้การดําเนินชีวิตเป็นไปได้สะดวกระดับหนึ่งเท่า น, นั้นเองแต่มันไม่ใช่ตัวความสุข เงินมันไม่ใช่ตัวความสุขทรัพย์มันไม่ใช่ตัวความสุขมันไม่ใช่เพราะมันเป็นข้างนอกแต่มันสามารถจะเป็นปัจจัยเกิดสุขก็ได้เป็นปัจจัยเกิดทุกข์ก็ได้ถ้าไม่ฉลาด ก, กับมันคนมีทรัพย์เรียบร้อยเลยแต่ต้องทุกข์มันตลอดก็เยอะแยะหมดใช่ไหมดังนั้นทำไมเราต้องไปขวนขวายเลยขนาดนั้นถ้าลดกแต่การที่มีชีวิต ที่มีการปฏิสัมพันธ์กับลูกกับบุคคลรอบข้างที่สามารถดําเนินไปทํากิจกรรมดีๆร่วมกันได้ที่ดีมีความสุขอันนี้ต่างหากทึ่ร้องผ่านมีสุดถ้าเราไปทํางานแล้วมันไม่มีความสุขเลยเครียดแต่มันตลอดเวลาเลยแล้วจะมีประโยชน์อะไรทุกปบันนี้ยอมว่าเห็นๆ เ, เราก็ดูดีเราก็โอ้โหเพราะการที่เราทําอะไรก็ทุ่มไปสุดเลย มันก็กลายเป็นสุดโตง่งเป็นที่ไปเลยนะลืมเนี้ยลืมตัวไปเลยไอต้ตอนนี้ไม่เอาแล้วตั้งหลักใหม่ไม่ใช่คนเดิมแล้วเป็นคนใหม่ได้ข้อมูลใหม่แล้วปรับปรับท่าทีทางใจใหม่ปรับกระบวนการการทํางานแล้วก็ทําทั้งส่วนหนึ่งมีเวลาอยู่แค่ส่วนหนึ่งก็บอกเขาเออแม่ทํางานส่วนอย่างนี้แล้วก็ใช้เวลาอยู่กแูกส่วน ท่นจะไม่ทําเลยทีเดียวก็ไม่ได้ชีวิตต้องกินต้องใช้นะลูกใช่ไหมค่ ะ, ะดูแลเขาไดไม่เป็นไรแม้ว่าเขาจะเรียนไม่ได้อะไรไม่ได้ยอมอย่าไปกังวลตรงนั้นอย่าไปผักดันเพื่อจให้เขาเรียนนะครับการนี่ก็หารอจะใช้เวลาเป็นปีก็ไม่เป็ น, ไ, ป น, น, ปนไรอ ย, ไอย่ากังวลตรงนี้นไม่ต้องกังวล เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ปุงแต่งเกิดขึ้นวิตกกัวววงวลในเรื่องที่มันยังมาไม่ถึงแต่ปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นมันไม่เป็นอะไรปัจจุบันนี้เราสามารถแก้ไขได้เราสามารถที่จะคิดถึงอนาคตการวางแผนปัจจุบันได้<ม>หรือคิดถึงอดีตได้ดึงข้อมูลมาวิจัยแยกๆดูผลดีผลเสียได้ได้วยปัญญาสอบสวนได้คําว่า อ, อดีตปัจจุบันอนาคตเนี่ยถามว่า ยอมสามารถใช้สติไประลึกนึกถึงเรื่องอดีตดึงมาได้หมดแล้วแต่ยอมตอนนั้นใจยอมต้องดีนะไม่ใช่เป็นนึกในขณะที่จิตฟุ้งซ่านนะในขณะนั้นจิตยอมต้องดีด้วยต้องย้อนระลึกดึงมาดึงข้อมูลมาแล้วก็มาแยกแยะหมาวิจัยสอบสวนว่าอะไรดีอะไรไม่ดีควรแก้ไขไม่แก้ไขมาตั้งหลักในปัจจุบันนี้ถูก แล้วก็สามารถจะมองว่าอ <c oughs> นาคตถ้าลูกเป็นอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นสามารถมองได้แล้วก็เตรียมการแก้ไขได้เอาแล้วเราจะแก้ไขในะปัจจุบันนี้เพื่อไม่ให้ความเสื่อมในอนาคตหรือสิ่งเสียหายในอนาคตมันเกิดขึ้นยอ่อมสามารถแก้ไขได้โดยไม่ต้องไปวิตกสงังวลเลยเนหะ็นไหมเพราะมั่นคงแข็งแรงในปัจจุบันจิตมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่ง่อนแง่งไม่คลนแคลเป็นจิตที่มีพลังมองอย่างนี่ี่ะ เขาคิดแบบนี้เรื่องอดีตอนาคต น, นคิดได้แต่เป็นการคิดด้วยปัญญาที่รู้แล้วเขาจที่นี้าเกิดสววขาอจะตัดตไอยางเงี้ยาตออะไรนบเขาปอะไรัวตั้งเไปกับเพื่อนอเพื่อนกลุ่มีัถ้าเพื่อนกลุ่มนั้นเป็นเพ่ประเภศอะไรอเขาทำงานเาจะบอนย่เพื่อ น, อาอ น, น, นงานตวองง แต่เจาสรรค์ถือเก็จะไปแบบนั่งเล่นการดู ห, น, ห, น, หนังเป็นบ้างอื่นาเป็บ้างอะไรอย่งเแต่เขาก็ไม่คนดีมากมมอะไ่เี้าไม่ชอบดื่มอาจจะไปะสูบบุหรี่เป็นบ้าง น, นิดหน่อยอะรยงเง้ น, น, น, นตับสัตของเขาที่ี้เ่เวลาที่ทากลับมาเราก็อาจจะนอนไม่หลบ้างก็ง ต, งตื่ น, อนออรอเขาอ่างเไี เป็นกงวลถ้าเราไม่รู้ว่าเขาจะกลับเมื่อไไปเป็นอะไรที่อะไร่ลกเขารักเราลูกรักเราเขาก็บอกว่าเขารักเราแต่ว่าเราก็เครียดว่าเพราะว่าก็ไม่บ่อยแต่ก็ก็เป็นอาจจะสักเดือนนึงครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยค่จะทให้เราเครียดได้เอมาจะเล่าให้ฟังเรื่อง อันนี้เราเป็นตัวอย่างที่มีคนคนหนึ่งเขาติดติดสุราติดยาเสพติ ด, ตดระดับหนึ่งเอาไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายไม่ไม่สามารถเลิกเป็นลูกคนมีรักระดับต่อมาเนี่ยโยมคนนี้เขารู้จักกันมาแล้วเอาเด็กเอาไอผู้ชายคนนี้อายุตั้งแต่สามสิบแล้ว เ, ล เ, เ, เ, เอาให้มายู่แล้ว แล้วก็บอกว่าให้มาขับรถให้เอามาเขาอยอมมาก็ <c oughs> ก็ดีเขาเขาอยอมมาพอเขาบอกว่าอเขาก็ให้ตังค์ให้เงินเดือนลูกเขาเสียให้มาอยู่กับพระอาจารย์ <c oughs> เออทีนี้เอาละจีทีนี้ยอามาก็พอเขามาอยู่อามาก็ดูเอามาไม่ได้ไปห้ามอะไรครับแต่เขบอกหูยังว่าเขาจะไปกินเหล้ากิ น, นอะไรก็ให้ไปนอกรัฐให้ไปอยู่นอก ชอบว่าหมายความว่าเข้าไปข้างนอกแต่เขากลับมาทีนี้อมาก็อมาก็ทํากิจกรรมของตอนเองตลอดบางกีเข้าไปเม า, มาไปเมาเล่าดืา่มชูกาไปอะไรมาแต่เวลาเขากลับมาแต่ครั้งอามาไม่เคยว่าอะไรเขาเนี้ยแล้วมาไม่ทุกใจนะแต่มาจะมีเวลาเขามามามเวลาจเจริญบุญส่วนนั่งกรรมฐานสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ ทีก็ดูทำราบางนั่งตำลาับางทีบางครั้งเข้ามานี่เที่ยงคืนอามาก็จะนอนพักนิ่งเพราะมากำหนดการนอนการตื่นวออามาได้ใช่ไหมพอ ถ, ถึงเวลาอามาก็ลุกขึ้นมานั่งประมาณถ้าเที่ยงคืนอามาก็มานั่งมนั่งเขาก็เข้ามาเวลาเขาเข้ามาเป็นเสร็จก็เขีเขยนอามานั่ง ข อ, อกพระอาจารย์ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่นอนนะโอ้โหนี่ยพระอาจารย์กังวลผมใช่ไหมเราไม่จะไปกังวลอะไรหนูอ่ะหนูทําอะไรก็เป็นเรื่องของหนูนี่ฉันสวดหมดู่ไอ้ฉัน ก, ฉน ก, ฉนก็ฉันก็ทําหน้าที่หน้าที่ในฐานะที่แม่เอาหนูมาฝากไว้กกับอาจารย์อาจารย์ก็ต้องคอยดูแลเป็นเรื่องปกติมันเป็นหน้าที่หนูไม่ต้องกังวลหรอก หนูจะไปกินเล่ากลับดื่กลับดื่อยังไงไม่ต้องไปกังวลหรอกหนูก็ทําของหนูไปไม่ต้องมากังวลที่ที่อาจารย์อาจารย์ก็ทําหน้าที่ไปว่าเออคอยดูเองตามปกตินี่แหละหนูก็ทําตามปกติถู่เข้าใจไหมนี่หนึ่งเราไม่ได้ไปกังวลอะไรกับเขาเลยเราก็ทํากิจของเราปกตินี่แหละแต่เรามีอุบายไง เขามาทุกครั้งนี่เขาจะเห็นเรานั่งเหมือนนั่งคอยเขาที่จริงเราไม่ได้นั่งคอยเขาเขาจเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดนัเข้านัเข้าเนี่ยเขาก็จะไปรีบกินรีบกลับเขาเริ่มกังวลกับเราแล้วเขาไม่อยากให้เรากังวลเขาสิ่งเดิมอนเค่ะี่ยูนี้เขาก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะเขาที่รีบไปกินเพราะรีบสี่ทุ่มเขารีบกลับเขาจะเห็นเรานั่งอยู่ พอเข้ามาแล้วก็เข้าไปในห้องแท้ที่จริงมันเป็นปกติของฉันทีนี้ก็เป็นอย่างนี้ตลอดแล้วฉันไม่เคยว่าเขาได้แต่บอกว่าอะไรดีไม่ดีฉันไม่เคยไปว่าที่ใสไม่ดีชั่วไม่เคยแต่เขาเห็นเขาก็เริ่ม <c oughs> เอล่ยใจมากมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาพาฉันไปที่โรงพยาบาลจุฬาฉันต้องไปหาหมอเขาบอกผูาจาดยารครับอันนี้นานแล้วอยู่กันจนหกเดือนเจ็ดเดือนปีแล้ว เขาอยู่แล้วก็จะรักรักหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเขาต้องรักเราเพราะความรักนี่สําคัญมากเนี่ยถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาจะไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเพื่อเรานี่ตรงนี้สําคัญมากก็าต้องกเต้องให้เขารักเราเลยนะรักและเคารพนี่นะรักธรรมดาไม่ได้ต้องพัฒนาให้เขาเคารพถ้ารักอย่างเดียวเนี่ยเหมือนลูกรักแม่เขาไม่แต่ถ้าเขาเคารพแม่ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอะไรที่เป็นความทุกข์ของแม่ก็ได้ไม่ทำเด็กครัเพราะเขา น, นีมีความเข้าใจว่าเขาขาดเองไหมคะเขาไม่เคารพกันตรงนี้ก็รกกจริงๆเราก็ต้องถาให้เข้าห็นตรงนี้ทีนี้ยกตัวอย่างตรงนี้ก่อนสินี่ถ้าฉันไปที่โรงพยาบาลเขาส่งฉันเขาบอกว่าพระาจ า, าจรย์เขาจะไปทุระเขาจะไปทุระวันเดี๋ยวเขาจะตับ แต่เขาคิดอย่างนี้ยเขาบอกว่ากะว่าเขาจะไปธุระเดี๋ยวเขาจะกลับมาเขาคิดว่าอามาเนี่ยถ้าเขาไม่มาสักพักนึ่งเนี่ยอามาก็ต้องหารถคนอื่นกลับแต่มาโอ้โหจังหวะนี้เลยเราได้จังหวะเนี่ยอามาอ่านขาวว่าเขาไม่ต้องไปไปกินเล่าเมายาอย่างหนักเนี่ยเขาคิดว่าเออวัน่งขึ้นเขาจะต้องไปหาอามา ทำไมเขา告ว่าตรงไปัคือแค่พูดแค่เนี้ยมารู้แล้วเขาจะต้องไปกินเราแล้วก็ไปนู้น่เขาไปจนถึงแต่ริ้นเขาไปกินเรากับเพื่ออ ว, วันนั้นามาก็นั่งนั่งอยู่โรงพาบาลสองทุ่มประมาณสองทุ่มจะเข้าสามทุ่มเลยใช่มไหมพระก็โทรมาถ้าอาจารย์ถึงว่ดถึงวัดแล้วหรือยัง <c oughs> ออกมากบอกอ้อยังอยู่โรงพยาบาลโอ้ก็ตกใจนะพระอาจารย์ไม่มีรถอรือ พ อ, อไม่เป็นไรหรอกอมาเอกอาจารย์อยู่ที่ไหนอนาจารย์ก็นั่นนงได้คนตรงนี้เป็นวลาโอยูอ่เขาเข า, เขาเรีบขับรถมาอย่างนี้เลยก่อนจะมาถึงอ ม, มาประมาณเกืเกือบห้าทุ่มมาถึงพระมาก็ยื้มแ ย, ย้มแจ่มใสไม่พูเขาไม่กล้าพูดอะไรกับมานะเขาขับรถไปร้องไห้แบบเขาขับรถไปร้องไห้ก็เกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาไม่พูดอะไรสักคำออกมาก็ไม่พูด เอามาก็เจริญกุศลในัจตลอดเพราะว่าปล่อยพากนั่งอยู่มืดมืดอะไรเงี้ยนะกับอย่างนั้นเนี่ยเขาเป็นความผิดเขามากไปถึงเดเซทพวกม า, มาก็บอกเดี๋พักผ่อนนะมืรูปหัวเขาเอามาเข้า้มาแล้วคำนวณดูว่าเขาต้องแก้ไขตอนเช้าเขามาถือดอกไม้ทุ่กียนมาหลายเขาบอกเขาปฏิญญาก็จะเริญเด็ก ก็าบอกหนูพูดอย่งนี้พอเลยบอกว่าก็บอกว่ายัไม่ได้บังคับหนูนี่เขบอกเขาเขาเขาผิดไม่น่าให้อภัยระวางนะแล้วขาบอกบอกเขาเดใและตั้งแต่นั้นมาเขาเขาเลยแล้วต่อมากลับไปล้วก็ไปมีครอบครัวไปอยู่กับแม่เขาทุกวัน เมื่อเมื่อไม่นานมานี้ทําแม่เขาโทรมาก็บอกว่าไอ้เจ้เนี่ยบอกคิดถึงพระอาจารย์มากก็อยากว่าไปแต่ก็ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาเขาบอกพระอาจารย์ให้เขามรหาห <sk r ug> รเลยทีนี้นตรงไี้ต้องการชี้เห็นว่าเห็นนายโยมว่าจริงๆเขาจะไปไหนมา <sk r ug> เราอย่าไปทําความกังวลใี้เกิดขึ้นมันชีวิตของเขาแต่ ยมจะมีวิธีการยางไงที่ให้รู้ว่าเรารักเขาเขาอาจจะยอมอาจจะนอนหลับสบายๆแต่พอเข้ามาได้ยินค่ะเอมอ่านมานั่งข้างนอกอ๋อลูกเพิ่งมารเนี่ยเขาเคเริ่มเห็นโอ้โหแม่นั่งคอยเฝ้าขเขาสมมตินะอะไรก็แล้วแต่แลวเป็นอย่างนี้แต่เราไม่เคยทุกใจเลยนะพร้อมที่จะให้อภัยเขาตลอดทเนี้นลรงคิดดูดีใจเขามันไม่ได้ทำได้หินนะโยมนะ ใจของมนุษย์และเราทํากุญส่ความดีที่ทําอย่างต่อเนื่องมันมีพลังนะคนที่อยู่ใกล้ลเราเก็ก็อยากจะกลับเนี่ยกลับตัวทั้งขอให้ความดีท่านโยมเนี่ย ย, า ย, ย, า ย, ย, ายิ่งใหญ่จริงๆมันเปลี่ยนสังคมสิ่งแวดล้อมได้ความดีจากคนคนหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีพลังพอมันจะเปลี่ยนสังคมสิ่งแวดล้อมได้แต่ถ้าความดีนั้นยังไม่แข็งแรงมันเปลี่ยนได้เฉพาะเราแต่ถ้าความดีนั้นมีพลังยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีสัพันธภาพ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้แล้วยอมหวังอะไรก็สมฤทธิผลได้แต่มันอยู่ที่โยมจะตั้งมั่นในการทําดีได้ถูกต้องไหมนันอยู่ที่ตรงนี้ต่างหากถ้าตั้งมั่นในความดีได้อย่างถูกต้องมันเปลี่ยนได้เปลี่ยนคนเนี่ยเปลี่ยนได้ถ้าโยมเข้าใจแล้วก็รอมันรู้จักที่จะรอเปแล้วก็วางท่าทีทางใจแล้วก็มีอุบายวิธีในการที่จะให้เหตุปัจจัยมันเปลี่ยนได้หมดนั่นเอง แต่ว่าเรารู้จักมันไหยเรารู้เส้นทางวิธีการนั้นถ้ารู้และเข้าใจก็ลงมือทำปฏิบัติมั น, มนทำได้หมดแต่ถ้าไม่รู้เลยมองไม่ออกเลยมืดตึ๊บเลยเยเียมืดหมดเลยเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจห้ามทำแบบสเปสสปาต้องรู้เหมือนที่ฉันอยู่กับเด็กเนี่ยฉันดูจังหวะตลอดว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาฉันก็รอมันตลอดนะแต่ไม่ได้รอด้วยความก้มใจทุกใจนยะ แต่เมื่อได้โอกาสปุ๊บฉันใช้ยังหวะนั้นันิีฉันรู้แล้วแต่ถามว่าเราต้องทุ่มเทไหยทุ่มเทต้องเสียเวลากับคนแบบนี้ไหมเสียเวลากล้าไหมนะ่ะกล้าที่จะสละอวัยวะที่เราจะต้องสูญเสียไปเหน็ดเหนื่อยเน่กล้าไหมแต่ถ้ากล้าก็ไม่เป็นไรเพรา ะ, ะเรามองว่ามันเป็นกุศลแต่ถ้าเราไม่กล้าเหมือนโยมเหมือนโยมนอนดึกดึกดื่น โลกร้องขึ้นมานี่ตอนเด็กๆ เ, เนี่ยทำไมายอมกล้าสละความสุขของยมทิ้งเลยทั้งๆนอนหลับสบายเพราะยมรักเขาเนี่ยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมเนี่ยคนเราถ้ามันรักแล้วเนี่ยมีกล้าที่จะสละนี่ก็เหมือนกันมีโอกาสแล้วก็เล่าให้เขาฟังให้เขาได้มีจิตสำนึกรู้รนะตอนเด็กๆ เ, เ, เนี่ยเป็นอย่างนี้นะเนี่ย เด็กๆโอ้ยหนูร้องตอนยังคืนตอนอะสมมติไงนะเรายกเรื่องราวต่างๆเล่าให้าฟังดิยามที่ใจก็ดีๆตอนนั้นทําแม่ไม่อยากลุกเลยนะเป็นไอ้ในร้านเองทนไม่ไหวว่าหนูร้องแย้งๆจะมาต้องลุกขึ้นมาดิสละสิบธิที่ตนเองจะนอนจะหลับทิ้งไปเพื่อความสุขของลูกเพื่อความปลอดภัยของลูกแม่ทําให้ทั้งมบางทีหนูอยู่ในท้องเนี่ย โอ้โหเนี่ยแม่ไม่อยากกินเลยนี่เลยแต่ว่าหนูอยู่ในท้องเนี่ยมันส่งผลกระ ท, ทบทบถึงแม่ทำให้แม่ต้องกินอย่างนี้ต้องอยากกินแต่สิ่งที่ไม่ควรกับร่างกายของแม่เลยอะแม่ก็ต้องกินเพื่อความสวัสดิภาพของหนูในท้องบางทีโอ้โหหนูดิ้นถีบเลยในท้องเนี่ยแม่ไม่ได้หลับได้นอนต้องลุกขึ้นมาเพื่อจะเดินเนี่ยมันได้บาลานซ์เนี่ยความรักของขอ ง, ของแม่ที่มีต่อหนูเนี่ยแม่ทําทุกอย่าง แม่แม่กล้าสละความสุขของแม่ทิ้งไปถึงแม่จะทุกข์จะลำบากก็เพราะรักนี่แหละแม้แต่ทุกวันนี้เหมือนกันแม่ต้องไปทํางานหาเงินแต่เฉพาะความสุขของหนูแม่สละงานทิ้งไปครึ่งวันทําครึ่งวันแล้วต้องมาอยู่กับหนูนี่คือรักให้เขาได้เห็นดิตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือต้องทําให้เขาเห็นไม่พอแล้วก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจพูดแล้วเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่พอพูดนี้ปุ๊บ เข้าใจใช่ไหมมันหน้าที่ของเราไหมนเนี่ยว่าเนี่ยไอ้ความรักคว่ารักเนี่ยมันกล้ากล้าทำให้ทั้งหมดเลยลรักภรรยารักสามีรักลูกรักพ่อรักแม่พอรักขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันยิ่งใหญ่ในคําว่ารักเนี่ยเรากล้าสละความสุขของเราทิ้งถึงแม้เราจะทุกข์ถึงแม้เราจะเหนื่อยเราก็ยอมที่จะทําเพื่อลูกได้วความรักเป็นแบบนี้เหมือนกันถ้าแม่ทํางานแม่ก็หวังว่า จะ ต, ต้องเลี้ยงตนเองเนี่ยเพราอยู่ในทั้งคมต่างประเทศเนี่ยต้องดูแลตัวเองเนี่ยแต่ตอนเนี้ยแม่ต้องทํางานครึ่งวันอีกครึ่งวันต้องมาอยู่กับลูกเพราะอะไรเพราะรักไหมเราบอกเขาตรงๆนี่คือรักนั่นแหละแม่สละความสุขส่วนตัวทิ้งเพื่ออนาคตความสุขของตนเองก็กล้าสละทิ้งอนาคตจะเป็นยังไงช่างมันขอใ ห, ให้ให้ลูกมีความสุขในปัจจุบันเนี่ยแค่เนี้ยแม่ทําให้ ลูกไม่ต้องกังวลความรักมันยิ่งใหญ่มากถ้าลูกเคยรักใครสักคนนะลูกจะรู้ว่ามันมีค่าและได้ทำในสิ่งที่ที่คนรักเขาสบายใจเขาสุขใจแล้วกล้าทำทั้งหมดแม่ถึงกล้าไงลูกแม่ถึงกล้าที่จะทำเพราะแม่รักแม่ปราถนาดีไม่ใช่เพิ่งทำสมัยหนูอยู่ในท้องหนูดิ้นแม่ก็ต้องพยายามประคองทำให้หนูปลอดภัยยังไงหนูหิว ห น, หนูทำให้แม่แพ้ท้องต้องกินนั้นกินนี้ต้องทํานั้นทําอันนี้อ้วกแล้วอ้วกอีกอะไรสรารพัดแม่ก็ทนเพราะแม่รักนะอยากให้คุณแม่อยากให้หนูมีคุณภาพชีวิตที่ดีดและปลอดภัยออกมามีความรักยิก่งใหญ่ลูกบอกเขา้าเยอะบอกเข้าไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะความจริงนี่แล้วบอกความจริงมันเป็นอย่างนั้ น, นาา อ, อันนั้นก็เป็นความผิดพลาดยอมยอมเองเพราะบางคนเขากิเลสเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ เขาไม่เคยรับรู้หรอกว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยังไม่เคยเป็นแม่เป็นพ่อพอะไรสักคนใช่ไหมบางคนเนี่ยกลัวจะได้เป็นพ่อเป็นแม่คนสายแล้วพ่อแม่ตายไปแล้วเลยไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทํำต่อพ่อต่อแม่ทั้งหลายเป็นต้นอะไนี้เราก็บอกเขาได้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้ความรักเป็นอย่างนี้มันต้องเหน็ดเหนื่อยมันต้อ ง, งทุ่มเทมันต้องอะไรอีกเยอะแยะหมดฉะนั้นกรณีที่แม่นั่งคอยลูกเนี่ยเป็นเรื่องปกติ เป็นหน้าที่ของแม่ลูกไม่ต้องไปทุกข์กับเรื่องนี้ลูกจะกลับสายกลับเช้ากลับเย็นกลับวันพรุ่งนี้เรื่องของลูกแม่ให้แม่ได้ทําหน้าที่ทองความเป็นแม่เถอะอย่าห้ามแม่เลยเขาย้าใจยังไหมแต่เราทําแบบไม่ทุกข์ใจเนอะทําแบบเข้าใจวัตถุนัยนะ์ไม่ได้ทําด้วยความทุกข์ความกุ้มหรือทําเพื่อต่อรองไม่เอาทําเพื่อเห็นว่ามันเป็นความดีแล้วก็ทําทําด้วยความชัานฉลาด ทำทั้งหมดเหล่านี้เพื่อต้องการให้กุศลความดีของเรามันมีพลังและมันส่งผลให้เขารู้สึกกิเลสเขายอมโอ้ยอมลเลยเจอแม่แบบนี้คแม่ไปเรียนวิชาอะไรมาก็ไม่รู้ทำไมรู้ทันเราหมดเลยแล้วก็แล้วก็ยอมหมดเลยตอนนี้ก็าใหญ่ยัอยอยงเพื่อไปนี้แต่สำคัญยอมไม่เรียนต่อไปรู้แค่เนี้ยไม่มีทางไปแก้ไม่ได้มันต้องรู้รู้ข้อมูลอีกเยอะใช่ไหม การอยู่กับมนุษย์นี่ไม่ใช่ง่ายแล้วระหว่างนี้ก็ไปอยู่นู่นแล้วพอเจศึกษายังไงอาจารย์ตอนนั้นก็เลยน้องยอมเลยต้องมาลองหาทีไลยัโทรศัพท์ได้จะให้ยมแบกเ็บตอนนี้ยอมคล้องมาค่ะโทรสามสามสามสายไลไลก็โทรของอ๋อใช่ช่้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่โยอมก็ต้องพยายามไปหาข้อมูล ่าต้องปฏิบัติให้มันให้ได้นะ ต, ต้องเข้าใจมันห้ามปฏิบัติแบบไม่รู้ไม่รู้อย่าเพิ่งขยันถรายงนั้นไม่รู้อย่าเพิ่งขยันถ้าอย่างนั้นยิ่งแย่ต้องให้รู้ให้เข้าใจก่อนจึงค่อยเพียนเพียนที่หลังให้เข้าใจขั้นตอนในการที่เราอยากรู้จุดหมายเห็นเส้นทางมันชัดแล้วก็ขยันได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นไร แต่บางคนไม่รู้เรื่องเลยขยันไมเร้เลยันเสียปล่าพทธเจ้าไม่รู้อยอะเพิ่งๆยากยไหม ม, มันฝึกได้มนุษย์เนี่ยฝึกได้และต้องฝึกใช่ไหมล่ะฝึกได้หมดเลยยอมจากคนฟุ้งซ่านเนี่ยฝึกให้เป็นคน ตั้งมั่นไม่พวงซ่านได้ไหมใช่ ไ, ไหมหดหูทห่ท้อถอยฝึกให้เป็นคนมีความเข้มแข็งได้ไหมได้หมดแหละจใช่ไหมละ่ะแล้วก็ไม่เชื่อมัน่นฝึกให้เป็นคนมีความเชื่อมั่นก็ได้แล้วไม่ ก, กล้าไม่อานฐานไม่มีขันติเงี้ยอ่อนแอด้านจิตใจฝึกให้เป็นคนมีความ ก, วกล้าอมันฝึกได้เนี่ยพระเจ้าให้กําลังใจเราฝึกได้า ต้องฝึกนี่เป็นนาทีนี่มันจะตรงนี้แหละเราคิกว่าฝึกได้โดยชนิดที่เ อ, อแล้วบอกว่าแล้วปัญหาพระเจ้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอพระเจ้าเป่าเพียงเดียวเนี่ยโอ้โหมันรอบรู้หมดเลยทำไมถ้ามันมีอย่างนั้นสบายเลยมาไม่ต้องมันเหนื่อยเลยนี <c oughs> ย่มันทําไม่ได้ไม่มีที่ไหนทำได้ไม่มีที่ไหนทำนั้นตรงนี้เป็นเรื่องที่ยอมต้อง ที่จริงในวิกฤตตรงนี้โยมสามารถจะเข้าไปคิดหาพัฒนาปัญญาให้เข้าไปรู้ความจริงรู้ความจริงและวโยมจะเอาประโยชน์จากความจริงนั้นได้รู้ความจริงอะไรรู้ความจริงว่าที่รูปเป็นอย่างนี้เพราะสภาพจิตใจอย่างนี้เพราะกิเลสประเภทหนึ่งเขียนความจริงทุกขั้นตอนพรบโยมจะเอาประโยชน์ได้ ประโยชน์ในที่นี้ก็คือได้หนึ่งประโยชน์ทั้งได้ได้ได้ได้ปัญญาที่ทําให้เราไม่ไม่ไหลไปตามครับแต่ก่อนยมไม่ได้ความจริงข้งขอนี้ไม่เห็นความจริงข้อนี้นเลย <cinematic. S 1> ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ก็คือยมไหลไปตามเขาหมดเลย <ellas S 1> ที่เขาเป็ น, นยังไงยมเป็นหมดเลยเนะเริ่ม <IS AS 1> เป็นตามนี่เห็นไหมยอมยมไม่เห็นความจริงยมจึงเอาประโยชน์จากความจริงไม่ได้แต่วันนี้ยอมเห็นความจริงปุ๊บ อย่างน้อยที่สุดยมได้ประโยชน์ก็คือจะไม่ทําตนให้ไหลไหลไหลลึกลงไปอีกนอกจากไม่ไหลก็ถอนตันเองออกด้วยแล้วก็จะมายืนอยู่ในหลักของความดีงามทั้งหลายตั้งมั่นนี่ยมได้แล้วที่สุดจริงๆยมได้ประโยชน์จากความที่ไม่เอาประโยชน์จากความจริงได้เพราะเห็นความจริงว่าแย่ yeah, แล้วเว้ยไอ้กิเลสตัวนี้ถ้ามันขืนให้มันมีอิทธิพลในกระแสะชีวิตจิตใจคนหรือกับเรามากๆแล้วมันจะผลักดันให้เรากลายเป็น เสีย ห, หายไปเลยกลายเป็นป่วยจิตป่วยกายไปเลยนะเข้าในาเข้าจมแล้วก็เดินออกอยางมันไม่ได้นี่ยอมเห็นความจริงมไนแล้วเอาประโยชน์จากความจริงก็คือพัฒนาตนเองออกที่ไม่เดินต่อแล้วก็รีบสกัดออกเอาเอาสิ่งไม่ดีออกจากกลกชีวิตจิตใจของเราแล้วก็มาเดินในช่องทางที่ดีดําเนิ น, นกระบวนการความคิดที่ถูกต้องแต่การปรุงแต่งทุกเก่งตอนนี้เราก็ใช้ความสามารถเรามาปรุงแต่งความสุขให้เกิดขึ้น ปรุงแต่งกุศลให้เกิดขึ้นปรุงแต่งปัญญาให้เกิดขึ้นปรุงแต่งสมาธิให้เกิดขึ้นปรุงแต่งความ ก, กล้าอาอหาญให้เกิดขึ้นปรุงแต่งคุณความดีทั้งหลายในกระแสชีวิตของเราให้เกิดขึ้นให้แข็งแรงให้ตั้งมั่นเออไม่ปรุงแต่งเรื่องอยาเ ก, ก่าแล้วเล่นเก่าแล้วโอ้โหปรุงแต่งก็เล่นเล่นไม่รู้ร่างกายโทรมสุดไหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ใจอย่างเดียวแล้วยอมแยกหมดแล้วเออมาเนี่ยสภาพหมดเลยเนี่ยตอนนี้เราเราได้แนละ้วมีได้ประโยชน์ เข้าใจคำว่าเอาประโยชน์จากความจริงหนึ่งเห็นความจริงสองเอาประโยชน์จากความจริงทีนี้นอกจากเรายอมเห็นความจริงสองด้านความจริงของกิเลสความจริงของทุจิยิริความจริงของความบกมุ่นในความไม่ถูกต้องแต่ความจริงในการที่ความจริงของความเชื่อมั่นความจริงของความแกล้งกล้าความจริงของสติความจริงของสมาธิความจริงของปัญญาความจริงของกลุ่มกุศลธรรมความดีทั้งหมดเห็นความจริงสองสุดความจริงที่เป็นสภาวธรรมเหล่านี้ ถ้ายอมไปไปใช้บริการของกิเลส ข, ของอกุศลนั้นก็จะชักลากให้ยอมจมอยู่กับทุกข์เครียดรุ่มแล้วก็ปัญหาชีวิตตามมาอีกเยอะแยะแล้วบาปทั้งหลายก็จะตามติดกระแสะชีวิตทุยอมเต็มไปหมดเลยเ น, นะนะเข้าในเขาก็มีแต่สิ่งชั่วร้ายเกิดขึ้นบาปที่ไม่ได้โอกาสก็ส่งผลส่งผ ล, งผลตอนนี้บาปส่งผลตัวลูกแล้วแล้วก็ส่งผลยอมอีกตัวนี้นแต่เข้าก็จะทั้งลูกทั้งยอมตัเ น, นี้พากันจมลงทะเลไปเลยตัวนี้นกลับไม่ได้หรือว่าจมแล้วก็ ยอมกับปัญหาโอกาสไปเลยนี่ยอมเห็นความจริงของกิเลสความจริงของอกุศลความจริงของบาปและยอมถอนตัวเองทันไม่ให้ไหลไม่ให้ไหลไปตามกระแสะของบาปกลับมาตั้งอยู่ในกระแสะของอกุศลกุกระแสของความดีตั้งมั่นแข็งแรงและก็มั่นคงในความดีทั้งหลายยอมเห็นโยลูปไปอย่างนั้นไปเสร็จปุ๊บยอมก็เริ่มพัฒนาว่าเราต้องแข็งแรง 1. กําลังกายแข็งแรงกําลังใจแข็งแรงกําลังปัญญาแข็งแรงเยยมมาฝึกตัวเองอย่างนี้ พอฝึกกลุ่มกุศลทั้งนี้ให้ตนเองแข็งแรงไปเสร็จปุ๊บแต่เนี้ยยอมอยากจะช่วยลูกมันจะช่วยได้แต่ตอนนี้ช่วยตัวเองก่อนใช่ไหมให้ตัวเองหายใจคล่องก่อนเราหายใจคล่องแล้วจะให้ลูกหายใจคล่องด้วยใช่ไหมเราเราเราเข้าถึงกุศลความดีแล้วเราจะให้ลูกเข้าถึงกุศลความดีเป็นต้น เราได้ความตั้งมั่นแห่งจิตแล้วเราจะให้ลูกตั้งมั่นแห่งจิตเราได้ปัญญาแล้วจะให้ลูกได้ปัญญาเยอมก็ตั้งใจแค่นี้ยแต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหเยอมยังไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยแต่อยากจะให้ลูกพ้นจากสิ่งเหล่านี้เยมจะทํำยังไงใช่ไหมวิธีคิดก็ผิดแล้วไม่ต้องพูดถึงการถามแค่คิดมันก็ผิดแล้วแต่ตอนนี้คิดอย่างนี้ถูกไหมคิดถูกไหมแบบนี้ถูกใช่ไหมก็แปลว่าตอนเนี้เยอมสิ่งไหนที่เยอมขาด ความอดทนยังขาดอยู่ไหมขาดไหมไ ม, มีความอดทนไหมมีความเชื่อมั่นไหมมีความกล้าหาญไหแล้วมั่นใจไหมว่าเราต้องผ่านปัญหาอุปสรรคนี้ไปได้แน่นอ น, นโอนี่มีความมั่นใจนี่ถือว่าเร็วนะ <laughs> <laughs> ใช่ไหาบางคนบอกไม่แน่ใจ <laughs> เหตุผลเพราะโยมเป็นโยมเป็นนักสู้อยู่ใช่เป็นคอดทนมากเลยค่ะลักษณะนี้เลยนักสู้เพราะว่าทำงานหนักมากเลยค่ะทำงานจนไม่มีเวลาจริงๆบินักสู้ทำงานแตดูลูากดูจไม่มีเวลาตอนนี้เกิดมาเพื่อลูกนาะ้ะเกิดมาเพื่ออะไรอะไรเป็นความสุขของโยมทาทำพี่ลูกเนี่ยค่ะเป็นความสุข มความสุดแล้วได้ทำหน้าที่เต็มที่ก็อสองคนแรกจะรู้สึกพอห ว, วแต่คนนี้น่ <c ười> ยังยังยังช่วยเขาไม่ได้ค่นะคะ<อ> <c ười> ต้องช่วยตัวเองก่อนอออแล้วลูกสองคนต้องให้กำลังใจแม่ดีมั้ยก็พยายามช่วยเขาทำยังไงไม่ดีก็เขาก็ช่วยดูน้องสักพักอย่างเช่นอ <c ười> เวลาเข้ามาเนี่ยค่ะเขาก็เราก็ฝากาไว้กับฝากน้องไว้กับพี่ก็ได้นะเราก็ไปไหนานี้เราก็มาได้อจะไปไหนล้วก็พอจะแวะๆไปได้เะเราไม่ค่อยเราก็กังวนน้อยลงเไม่ลาที้งลกเค่ะแะตอนนี้ลูกสองคนก็ทำงานค่ะคนโตทำ ง, งานแต่ว่ามาเข้ามา ไปเที่ยวแป๊บมันแล้วคนที่สองเขาก็เรียนปีสุท้าตอนนี้อยู่เรียนปีสุดท้ายแล้วเขาต้องจบปุ๊บเขาก็ต้องเริ่มทำงานปั๊บก็เซ็นสัญญาอเรียบร้อยมีรูปเดยยุตอะไรสามสิบหก1ีแปดสในใต้อ่อนตาจอยหน่อยใช่ไมในใต้ี่สิ ตอนนี้เท่าไหร่อ่ายุย้อ น, นอายุยอาย57อาจจะขึ้น58เองอพี่นุ่นเขต้องหยุดทำ ง, งานอายุเท่าไหร่อ่าสมัยก่อนประมาณจะ60แต่ตอนนี้มันแก๊บมันเยอะพี่นุ่นเขาก็เขาไม่ยื่นโซเชียลสื่อพี่ออกไปนะคะ คนก็เลยต้องทำงานต่อแม้จะทั้ง60แล้วก็ยังต้องทำงานต่อเพื่อจะเเช็จ้งตัวโซเชียล่ริงโยมเป็นคนเก่งลทำทังานบริษัททำคอมพิวเตอร์แล้วออกมาทำร้านอาหารเองทำสร้างสร้างมานแล้วทำร้านอาหารของคัวเป็นป็นภาษาไปคือแย่มากเลยจะโยเห็นนุ่ๆเลแทน ต้องการเลยทำขนาดนั้นต้องการเลเาก็จริงๆตัวรูปจะลำบากรูปจะลำบากก็อยากจะแล้วก็ที่หาให้ลูกค่ะคือที่ที่ในเงนไทยซึ่งคพ่คุณแม่เสียไปนา น, านมากล้สกี่สิบปีเองทีคุณคุณแม่เสียเนะียก็งไม่ได้ทาให้เกิดประโยชน์อะไรได้ไดเลยรนถะทิ้งไว้แล้วก็น้องเ้าก็ ก็บอกข้อยามจะขายแต่ก็ยังไม่มีโอกาสที่จะขายได้แล้วก็ปีเนาะสองหอห้าหกอากค่ะที่พื้นที่เปล่าก็จะเป็นจะต้องสียภาษีที่จะมีภาษีท้าก็จะมีปัญหาจะอีกทีนี้ก็จะพอถึงสองห้าหถ้าไม่ขายนี่นะคะก็จะมีปัญหา แล้วก็บ้านของคุณพ่อซึ่งเป็น่อคุณแม่ตอนที่ไปกเกษียณไปกเกษียณงที่เราบุรีรรไม่ค mm ่อยแอบ้าหก็ถูกทิ้งลบล้า น, น้องชายก็ต้องจ่ายเป็นเงนกระรายเดือนให้กับคน mm hmm. สร้างบ้านแต่เขาก็เข้ายัางไงไม่ทราบขางโนจะชอขึ้นบ้านขนทุกอย่างหรือวนะคะแต่ก็ยังคงต้องเรี ให้เขาอยู่ต่อแล้วเขาก็เริ่มปลูกอะไรไม่ทราบมีปัญหาเยอะมากปลูกเพลกเปลี่ลยนบ้านสภาพบ้านชุ่มเคยดูดีมากตอนในโลกดูแยมากาเง่ก็ก็มีปัญหาคือแต่ละอย่างเนี้ยก็มีปัญหารอิหอะไรอย่างเงี้ยนะก็น้องชายอยู่ที่ไทย่ยอยู่ไทยแล้วแล้วไม่ได้ไปดูเขาก็ไปดูแต่เขาก็มีางาของเขาาก็เวล า, าก็รอ แล้วก็น้องผู้หญิงซึ่งครูจะเป็นคนดูแลทำไมไม่ขายเขาเขาบอกเขาพยายามจะขายแต่ขายไม่ได้ค่ะไ แ, แล้วพี่เขาก็พยายามเขาบอกแก้าก็พยายามมากแวเราก็กลัวว่าเขาไม่ขายแพงเกินไปค่ะเรากอบบอกเขาว่าเป็นทีร่ราคาดีกว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ที่รคาคาที่แถวไหนเออ้ามีมีหลายที่ไม่ใช่ ท, ที่มันเยอะหรือที่ว่ามันถึงจะถูกเกยบภาษีแพง ท, uh, ที่ที่ตรงตามศิลาเนี่ก็เป็นถึงได้กสักสิไร่ที่ที่แข่งกันจะจะประมาณร้อยร0อยสไร่ร้อยสเป็นที่เกษตรที่อะไรเขาอ่าก็แล้วที่ที่ใกล้ๆบ้านคุณพ่อทิลาดูรีนะคะคุณพ่ออยู่ลาดูรก็มีที่อีกห้าส้าไร่อันนันเป็นที่นาที่อะไรข้เป็นเขาเรียกว่าที่นา้อนะคะมใกล้ๆกับ พวกพวกที่พวกนี้มันไม่ได้มันไม่เสียภาษีแพงเลยไม่แพงหรอกถ้าที่ที่จะแพงก็คือที่ในกรุงเทพอ๋อค่ะม่ตองไัวลรเลยโก็ประเมินมาอย่างที่ที่อยากชาตาประเมินภาษีภาษีอย่างเดียวก็เห็นเฉพาะค่าขายภาษีการขายจะถึงต้องเป็น10บล้านน่คือราาโภาษี จบในอนาคตค่ะเพราะนั่นเป็นเรื่องจป็วงอีกคือเป็นคนที่ที่กังวลนะคะพี่จริงๆมันหจริงๆประเด็นตรงนี้มันสามารถที่จะคิดได้ถ้ามันมีวิธีการจัดการมันได้ก็ม่เห็นจะเป็นอะไรค่ะมันจะจ่ายภาษีเดือนละร้อยล้านมันก็ไม่เป็นไรหรอกถ้ามันได้พันล้านใช่ไหมล่ะก็เป็นเรื่องปกติเรื่องแบบนี้รายรับรายจ่ายมันไม่ได้สําคัญอะไรตรงนี้สำคัญมันให้บริหารจัดการมันได้แค่นั้นแหละ ทุกอย่างในโลกใบนี้มันสมมุติทั้งนั้นเลยตอนนะ้ที่ก็สมมติเชื่อคาวเจ้าของที่ที่แท้จริงคือใครวัดตัวเองแค่นี้มก็เป้าอยู่อยู่ตลอดเราไม่ได้เจ้อของที่คนที่จะใช้สอยจริงๆหนึ่งเรียกเจ้าของอย่างเนี้ย <c oughs> เจ้าของคือคนที่ได้ใช้เอามาก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของเเนี่เยเจ้าของที่แท้จริงคือเขาได้มาใช้ได้มาอยู่ได้มามาได้ใช้สอยของหน้าที่ไหนสมบัติทั้งหมดเหล่านี้เราจะเป็นเจ้าของมันก็ต่อเมื่อเราได้ใช้ได้เอามาทําให้ตนเองมีความสุขมาทําให้บุคคลอื่นมีความสุขหรือทํากิจกรรมที่เป็นกุศลเราก็แล้วแต่หรือทำความดีทำร้อยก็ได้คือให้มันได้มาทำแค่นั้นเอง คำว่ามันบุญมันให้ผลนี่ยคนบางคนเนี่ยปลูกบ้านทิ้งเอาไว้โอ้ยต่างจังหวัดต่างประเทศเยอมไม่ได้อยู่เจ้าของมันเหมือนเนี่ยเราทําความดีกันไ้ใช่ไหมวิมานมันก็ร อ, อยนอยู่ในชั้นจารุรมก็มีจาัวมหาราชกถาเดาดึงยามาดุสิตนีมิมาเลยอะไรมีทุกชั้นเลยเพราะทำกุศลไปเยอะแต่ต่อมาเจ้าของตายไปตกนรก เยอะหมดเลยมวิมานล้างตอนนี ي ي ال ้ก lim ็ล้างอยู่ยังมีคนอยู่ความดีที่ทำเยอะๆหมดทาสังสารวัตมันเป็นแบบนี้ฉะนั้นอย่าแปลกใจโยมมีบ้านเยอะๆหลายที่มีที่หลายๆที่ก็บุญโอกาสเรายังไม่ได้ไปใช้สอยมันก็ยังคนอื่นก็ไป้างคนอื่นก็ไปใช้บริหารจัดการไงเพราะว่าอะไเรื่องทรัพย์เนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นของนอกตัวก็พยายามให้มันได้ประโยชน์มากที่สุดแกตัวเราเองก็สภาพสิ่งแวดล้อมเราเว่าคับเราจะ ก, กังวลหรือไม่กังวลมันก็คือมันไม่เคยรู้หนูบ้านมันเคยไปตะโกนบอกใครไหมว่าฉันเป็นที่ของคนนั้นฉันเป็นพี่มันไม่เคยไปตะโกนบอกมีแต่เราเด็ดไปตะโกนบอก เขาเป็นของชั้นเป็นของชั้นจริงไม่จริงเออ <c oughs> เห็นไหมเนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยเข้าใจความจริงตรงนี้พอไม่เข้าใจความจริงตรงนี้ขึ้นมายอมทํางานในชีวิตแล้วความสุขยอมอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนความสุขที่เคยอยู่ตอนเวลายมนอนแต่ละทีที่นอนก็นยมกี่กี่เมตรยาวกี่เมตรกันเวลานอนความสุขจากการ น, นอนกว้างไหมไม่กว้างไม่กว้างกินวัน ล, วละกี่ เสื้อผ้าใสวันนี้กี่ตัวเยนนั่นเอ ง, งเยนไหมบางทีความสุขมันมัมนสามารถที่จะหาได้ในชีวิตจริงบางทนมันนวดตุ๊กตานี้ก็เรียกว่ามีเกินนะแล้วก็เอาความสุขไปไว้แต่สิ่งเสียเดี๋ยวลองคิดดูที่ในตึกซ้แล้วก็คิดว่าเราคิดไงเขาคงมีความสุข เหมือนเหมือนคนไม่รู้จักยอมคิดว่ายอมมีความสุขแต่ที่ไทนได้โยมไม่ได้ต้องที่ที่ผ่านมายอมดิ้นตลอดต่อสู้ตลอดทําอย่างกนตนเองเป็นเครื่องจักรโดนเลยนะขนาดนั้นแต่ตอนที่ขายบ้านปลูกบ้านด้วยที่ชายทะเลแล้วก็ไปปูกไปซื้อบ้านที่ฮาวายตอนที่ขายเพิ่งจะขายหมดสามสี่ที่เมื่อตอนตอน้น ต้นปีหกสิบต้นปีหกสิบที่จะทายมาันให้เขารู้สึกเหือนปลทุกอย่างอ่ะไอภาระที่แบกเอาไว้มันมเขาต้อง ส, สบายใจมากมันก็คือความรู้สึกเท่านั้นเองค่ะแต่ที่จริงเดี๋ยวมันก็ความทุกข์ก็กลับมาใหม่อีกเห็นไหมแท้ทจริงเป็นความรู้สึกลุ่นๆอยู่นั่นคือความรู้สึกถ้ายอมลองผูกใจไว้ไดิว่า ถ้าฉันยังขายที่ไม่ได้ชันยังสุกไม่ได้ยอมปูกเข้าไว้ดิมันก็จะแบกทุกในใจอย่างนั้น ว, วันใดวันหนึ่งชั้นขายที่ได้เมื่อไรฉันนึกจะสุก ข, ขายที่ได้เมื่อไรฉันนึกจะสุกพอขายได้ปุบ๊บยอมสุกแป๊บเดียวนะครับนะเข้าแล้วนะเขนะ้าไปทุกเรื่องอื่นอีกแล้วแล้วยอมก็ไปตั้งความรูร้สึกว่าลูกยังเป็นอย่างนี้ยังสุกไม่ได้ลูกนี้เป็นอย่างนี้ยังสุกไม่ได้เพอะลูกขายปั๊บยอมสุกได้นิดเดียวนะ้วเข้าแล้วเข้ากว่าโอ้ที่ บ้านที่ฮาวายยังขายไม่ได้ยังไม่สุกก่อน<ช>ต้องขาย ไ, ได้ยอมพุเป็นอย่างเนี้ยยอมทาไมว่าให้มันสุกได้ทุกเวลาได้ไม้มเห็นไหมคือให้มันสุกได้ทุกขั้นตอนทุกเวลาเลยทำกิจกรรมของชีวิตทุกขณะให้มันมีความสุขได้ทุกเวลาทำได้ไหมล่ะ มันยากจังเลยหรือที่จะให้ใจมันมีความสุขแต่ละขณะ น, นี่ยากจังเลยหรือยากเลยแล้วทําไมให้ความทุกเกิดทุกขณะทําไมทําได้เก่งยังความสุขมันก็เกิดได้เนี่ยยอมแค่นะ <c oughs> เสียดายเลย <c oughs> เสียดายความทุกข์ที่รักษาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยอมหายใจเข้าหายใจออกยอมทําให้สุขได้ไหม ทำจิตให้เบิกบานหายใจเข้าทำจิตให้โปร่งเบาหายใจออกแค่นี้สุขได้นะนันก็สุขได้เห็นไหมในวิชาสุขยมหาเงินได้ร้อยล้านแต่ยมหายใจไม่ค่อยออกยอมเอาไหมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอ่ะเอาไหมได้ร้อยล้านเนี่ยสองร้อยล้านเอาไหมแต่ใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเอาให้พันล้านแต่ใส่เครื่องช่วยหายใจ แล้วนอนอยู่กับเตียงเอาไห ม, ไม เ, เห็นไหมว่าจริงๆมันอะไร ม, มันคือโยมก็ทำความสุขมันเกิดขึ้นที่ตอนนี้จริงไหมล้อพอมองเห็นไ่าคือได้หลักการจริงๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยหนึ่งหนึ่งก็คืออย่างที่บอกเมือ่อวานนี้ก็คือว่าสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ยอมสามารถมีความสุขได้ไมยอยู่กับธรรมชาติสงลถ้าไม่ได้ยอมหายไปแล้วนะ้องหนึ่งเพื่อนมนุษย์เอาละที้ยอมอยู่กับลูกยอมไม่มีความสุขเพราะยอมคาดหวังลูกต้องเป็นอย่างนั้นถึงจะสุขซึ่งมันไม่เคยสมหวังจริงเลยในชีวิตที่ผ่านม า, ามาถา ม, ถามถึงลูกคนโตถามจริงๆลึกๆนะยอมสุขั้ยไม่ได้สุขหรอกยอมห่วงเขาอยู่นั่นแหละ นี่ไปสุขได้ยังไงวิธีคิดแบบนี้ไม่มีทางสุขเลยห่วงเขาแล้วก็คิดว่าอยากให้เขาทำอย่างโน้นอยากไปไปรวมบงการเขาหมดได้ทำทำไมใช่ค่ะอยากจะให้ย้ายรับย้ายงานยอมหยุดปรุงแต่งแบบนี้ได้ไหมเล่วมาปรุงแต่งอย่างอื่นเมื่อไรยอมจะบอกว่า ฉันทำหน้าที่ของฉันจบแล้วต่อไปฉันจะหาความสุขจากกิจกรรมของการดำเนินชีวิตในสิ่งที่ดีชีวิตที่เหลือมันน้อยเราจะสร้างสเสบียงเดินทางในอัตภาพถัดไปเรายังไม่ได้ทำเลยตอนนี้เราก็งห้าสิบกว่าแล้วเราตายได้ทุกเวลาเราอาจจะตายในขณะ น, นี้หายใจเข้าหายใจออกเนี่ยใช่ไหมความตายเกิดได้ตลอด ยืนก็ตายได้เดินก็ตายได้นั่งก็ตายได้หลับก็ตายได้คู่เข้าเหยียดออกเอียบหมดเหล่านี้ตายได้หมดเลยนะกินดื่มเขี้ยวลิ้มถ่ายอุจจาระตายได้ทุกขนาดเลยนะเนี่ยมันมีความตายเราดักหน้าดักหลังเราตลอดเวลาเลยโอ้เราไม่ประมาณแล้วต่อไปเราจะรีบเร่งในการเจริญบุญส่วาทความดีแล้วเราทําให้คนอื่นมาเยอะแล้วนี่ใช่ไหมยเยอะหรือยังถ้าคิดอย่างนี้ปุ๊บ เนพอพ อ, พอคิดอย่างนี้ปุ๊บนี่ยยอมยมก็จะได้มดุมเนยดังนต้องต้องเลิกจัดแจงเขาโตพอในการที่เขาจะโดนเงินชีพก <c oughs> ามีาาปัญหาเดี๋ยวใคก็ปิดสายดีไหมก็เลยไนมะ่ใช่ไหมหรือว่ายอมมีความสุขกับการที่ต้องจัดแจงเขาตลอดมีความสุขไหม พยายามจัดแจงมันไม่ได้ดังใจก็โทกอีกโอยมอยากทำตัวเป็นพระเจ้าเลยดีไหมโยมดนบรรดาเลยงั้นตรงนี้ต้องการบอกโยมตรงนี้คือว่าเห็นไหมว่าทั้งหมดนี้ชีวิตของแต่ละบุคคลเขาก็เป็นไปตามยึดใจของเขาที่เขาทำ ที่ยิงยองก็ทำมาเต็มที่เลยนะถ้าพูดไปเต็มที่มาแล้วทาจนติดล่องแล้วหยุดไม่ได้เลยใช่หมล่ะโอ้โหทมาขนาดนี้หยุดงานงานหนักจงๆเลาเวลาอะไรนี้ชอบเดืนนี้ก็คิดว่าตอทใ น, ใ น, ในที่รๆ ท, ที่ทางานหนักนี้นะที่เป็น แต่วงกวารฮอลล์เลนะคะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเหมือนกับมีความคิดว่า guilty ห่วงห่วงว่าลูกจะไม่มีห่วงว่าลูกจะไม่มีแล้วก็ตอนที่คุณแม่เสียก็ไม่ได้อยู่ดูแลคุณแม่มันจะเป็นเหมือนกับความผิดเหมือนกับความรู้สึกผิดนี่พูดทำงานนี่เยอะมันก็จะลืมนะคะลืมอันนี้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องไปคิดว่าเรา ไม่เคยอยู่ดูแลแม่ตอนที่แม่จะเสียล้วก็เอางานทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะมาอยู่ตรงหน้านาจะให้บินไปไหนก็บินบินตลอดก็ทำงานตลอดไยเี้ยคะก็นอนดึกมากนอนตีสามตื่นมาใหม่อะไรเนี้ยค่ะหกโมงเจ็ดโมงช้าก็ทำต่ออย่างี้ยนะก็ดีไม่ไม่มีโรคประจำตัวเนาะร่างกายก็แข็งแรงทนดีแท้ ก็มันชแข็งแรงนะคะท่านไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแล้วก็แล้วก็พอมารู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ลูกก็มามีปัญหาก็ตกใจว่าลูกมีปัญหาก็ช้าไปแล้วเพราะว่าตัวเองก็มัวแต่ไปหาเงินค่ะก็ทำงานเพื่อจะให้ลืมความตอนันไปอยู่เมืองนอกแล้วพอคุณแม่ไม่สบายค่ะก็ไม่ได้มาไม่ได้มางานศพ ค่ะไม่ได้มานานศพแม่ทำให้เสื่อมไม่ได้ไม่สบายใจท้างใก็ก็เลยบอกจำได้ว่ามลในเยวมมลเคยบอกว่าก็เลยกินเจอาทิตละครั้งเพื่อเหมือนว่าคลายให้แม่ว่าคิดว่าใจยังยม่อค่ะค่ะก็เหมือนกัว่าอาทิตย์นึ่งนะจะต้องกินเจคินแม่สาวันจะสามวันไหนก็ได้แต่ขอเพื่อจะให้เหมือนกับว่าเกิือคือเป็น เป็นความคิดเองก็คคิดเองค่ะถูกเขาเรียกว่าไม่รู้แล้วขยันนะว่าใช่ค่ะแล้วก็ทําแล้วก็ทํางานมากแต่เกินทํางานมากเพี่จะลืมตรงนั้นเงครัแล้วก็พอมาเห็นรูปไป็นแบบนี้ก็ตกใจว่าเอ๊ะสคนนั้นทุ่มดีไปได้ก็เลื่อนมาได้รอดมาได้รู้ว่าเป็นหัวข้อ จะะเเเเป็นรุ่ขของของงาาาพวดีนะถ้ายอมมีลูกสักห้าสิบคนนี่ยอมเหนื่อยมากลูกแค่สามคนสามคนก็มากกว่ายอมแหวนคนหนึ่ ะ, ะอะละ ว, ว่าต่อแล้วทำไนต่อ ก, ก็กิ๊วดังนั้นก็ยังอยู่แล้ว ถ, ถอดผอมมาเจออ่ลูกคุณเลยเป็นแบบนี้ก็ตก ฟิวต่อว่าทำงานทํางานแล้วก็เลยอยู่ทํางานก็ลอออกจากงานทำไมไม่คิดแบบเดิมอ่ะก็ทํางานให้มันลืมให้ลืมลูกคนเล็กเพราะมันมันไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่าต้องดูก็ที่ทํางานก็ไม่ไม่ต้องดูแลลูกทําให้ให้ลืมลูกไปเลยอยู่กับงานไปทำได้ก็ทําเหมือนการทากับแม่แต่ตายไปแล้วลูกเดยเดี๋ยวก็ตายลูกอีกม่อยู่ไม่งานเดี๋ยวก็ตาย หรือไม่งั้นเดี๋ยวเราก็ตายก็ลืมกันไปดีไหมก็ม่ดีค่ะทำไม่ได้ก็ลืมไม่ได้ค่ะก็เลยยอมหยุดงานมาไม่คิดถึงงานแย่เลยคิดไหมก็มันไม่แทนทีมีเวลาคิดถึงงานก็มาปวดหัวรื่อลูกอยู่ไปไม่รู้จะแก้ยังไงด้วยไอ้ลุงตุงงามจะใหญ่ตอนพยายามจะแก้เป็นลุง่างอยู่แต่ลูกนะคะลูกจะกิย่ะ แล้งานที่ทำอยู่ก็ทำอย่างนี้ทิ้งทิ้งไปทิ้งงานแล้วตอนนี้ทำอะไรก็ออกจากงานก็มาก็เลยเออกมาค่ะเราออกมาสักเราออกมาสองสปีนะคะอออกมานานค่ะแล้วก็มาเปิดมาทาร้านอาหารคิดว่าเยอนอจะอยู่กับลูกแล้วให้ทากับลูกได้ลูกจะได้คือไม่เดียนเขาไม่เรียนแม่ก็ไม่ว่าอยู่เมืงไหนครับอยู่เมืองไหนล้านาห อยู่ซาวส์ทูสแคลิฟอร์เนค่ะตอนนี้ย้ายไปเมืองที่ไม่รู้จักใครเลยคือไปแทนว่าถ้าทำร้านอาหารลูกก็เหมือนจะได้มีงานทำเราจะให้ลูกทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ลูเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาค่ะเขากหนีเขาก็กลับมากลับมาอยู่บ้านอยู่บ้านที่นี่บ้านก็เลยต้องขายร้านอาหารขายเห็นไหมสิ่งที่เราคิดไว้มันพละเลื่อนแต่ที่ แกไม่ถูกแกไม่ถูกแต่ขยันแกไม่รู้แล้วขยันขยันใหญ่เขยันบ้านสวยมากห้องนอนะห้องน้ําไม่ลูกคนละห้องคนละห้องคือไปคิดกลับไปคิดหมดทุกอย่างถายรอกไม่ถ่ายแล้วก็มีหาปุกเนี่ที่ตรงนี้โล่งๆนะผมโอแล้วก็ทําอะไรก็ได้ โอ้ก็ทำเช่าเขานีขอเช่าก็ทจากว่าเดี๋ยวทาร้านอาหารตรงนั้นให้ลูก่วนทํทตรงนี้อะไรก็ทำคิดเด็ดเศ็จะติดต่อลูกเพราะคิดหวางก็ขายต่อก็ที่ผานมาก็ทำแบบนั้นแล้ที่สุดก็ขายขายทั้งบ้านเขาก็บอกเขากลับไปอยู่แคลฟอร์เนียกับพ่อพี่ชายเขาเรียนศิลป์ได้ปี ก็เรียนบ้าอยู่บ้านเรียนบ้า่าเค้ก็บอกเราตอนเราไปขาตาคเราก็เบอกว่าเมื่อไรจะกลับมาอยู่กับเขาเราก็รู้สึกว่าเขาต้องการเราในช่วงนั้นเราก็ยายารู้สึกอความรู้สึกนะคะรี่กลับไปขายบ้านขายบ้านอย่ารอแม่ขายบ้านขายร้านก่อนจะน ที่เขาคิดเรื่องแม่เขานี่แล้วเขาคจะคิดอะไรท่เกจาตรงคือหลักการที่ลูกคึงปฏิบัติต่อแม่ต่อพ่อนีนน่ยจะมีหลักลว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบแทนท่านมีกิจการใดๆของท่านดีก็ดำเนินกิจการนั้นๆนะดำรงรักษาวงตระกูลรักษาวงตระกูล ของแม่ให้เสื่อเสียแล้วก็ทำตันให้เหมาะสมกับการเป็นทายาทที่ดียังได้ทำยังได้ทำตัวดีไหมรักษาวงตระกูลัหมรักษาได้ทำกิจการต่างๆที่ท่านทําไว้ก็ทำต่ อ, ตอไห ม, มแค่กิจการก็คือว่า กรณีที่พ่อแม่เขาส่งเสียให้เราเรียนเบ็ดเสร็จเพื่อให้ทํางานทาํางานแล้วก็ทํากิจการตามที่พ่อแม่ให้เราศึกษาเราเรียนแล้วก็ทําต่อมาเรื่อยๆทุกวันนี้เราทากิจกรรมใช่ไหมเราก็ทําพอสมควรยอมผิดข้อไหนอันอนี้ประเด็นต่อไปก็คือทั้งนั้นปัจจุบันนี้ยอมทําข้อสุดท้าย เมื่อท่านร่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศทําทุกวันได้ไหมก็ <c oughs> ทําบุญอุทิศให้ทีนี้การทําบุญอุทิศให้มันทําได้หลายอย่างทําอย่างไหนไม่บ้างให้ทานอุทิศสว่สวนกุศลให้ทําความดีทั้งหมดแล้วก็อุทิศความดีให้เมื่อไม่ทําตลอดไหมใช่ ถ้ายอมไปอยู่ที่ไหนนะยอมสามารถทําได้ตลอดในห้องพระมีใช่ไหมยอมก็จัดห้องพระเขาอาจะเตรียงมีอะไรบ้างใจมีปัจจัยสมมติไม่ได้ไปทึ่นั่นก็ใส่ผ้าไว่ใส่ใส่ประกบว่าทุกวันทุกวันเจริญกุศลทุกวันต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็อุทิศกุศ่ทุกวัน พอเขากำหนดเราจะไปช่วยอะไรไปช่วยโยมพยมบํยินพระหลงอาธาบสร้างก็จะได้อะไรก็แล้วแต่โยมก็ทํา้วยแต่ทำทุกวันอุทิศเทพชื่อว่ายอมได้ทำได้ตอบแทนแล้วแต่ให้ทำทุกวันถ้าทำอย่างนี้อุทิศสนแล้วก็เรียกถึงแม่ก็อุทิศส่วนสุวนแม่การดีที่ทามาทั้งหมด บุญทั้งหลายที่ทำมาอุทิศั้งหมนนี้อุทิศให้กับญาติอุทิศให้กันงนี่มันคือตอบแทนมันยังตอบแทนได้ตลอดจนลมหายใจยมจะขาดไม่ไม่ทำได้ทุกวันลตอนนี้ก็ทำได้นะ้างพระผวาอาหารทำกิจกรรมทั้งหลายส่วนสิทิส่ว น, มนสมทำได้ไหมมีคือตอบแทนไหมนี่นะเราไม่ทานี่มไป กินเจตอบแทนกคลเรื่องกันกินเจไม่ตอบแทนตรงไหนอตอบแทนตรงไหนก็ไม่กินเจตอบแทนตรงไหนเขาเหม็นเราเราลอไเนอาหารสัตว์โคลเรื่องเลยโอ้โหถ้ั้นสัตว์จะได้ถามเนี่ยมันก็ได้บุญมากกว่ายอมดิที่มันกินหญ้าก็ต่ายกินหญ้าอยู่นนั่นได้บุญมากกว่ายมนะช้างเนี่ยช้างก็กินหญ้า ม้าก็กินหญ้าวัวก็กินหญ้าควายก็กินหญ้าไอสัตว์พวกนี้ต้องได้บุญมากเลยอมดิจริงไหมเพราะอะไรตลอดชีิตใช่ไหมแล<ต>้วทำไมเขาได้บาปบุญนี่อยู่ที่การกินเจกินเนื้อไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนีนมนงนน้มันอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราเบียดเบียนเ้าเนี่ยแปลว่าเราไปทุบไปฆ่าเขา ม, านนามันกินอย่งเงี้ยบาปจริง เรากำลังตัวเป็นๆอยู Ô, ่ในชื่อและครบมาเนี่ยมาทำเนี่ยมันางนี้เหียดเย็นเบียดนน่นที่มันตายไปแล้วยะๆทั้หมดนี่ไม่ได้ควาเบีดเี้มองเห็นนะโอ้แต่อย่างงั้นสัตวได้สารได้บุญมากกว่าเราน่พวกปลาพกคู่งอะไรมันก็ไม่ได้กินสัตว์มีชีวิตนะโอ้โหบุญยังคงเยอะแต่ทาไมถูกฆ่าตายทุกวน ทำไมบุญไม่รักษามันสืบเนื่องมาไม่รักษาเลยนะทั้งๆ ท, ที่มันทําดีตลอดใช่ไหมละ่ะหมูเนี่ยหมูมันกินแต่อาหารอาหารที่มันตายแล้วเอามาอาหารเป็นผักเป็นหัวอาหารเป็นอะไรทำไมบุญไม่ส่งผลมันทำไมถูกเชื่อทุกวันไก่เนี่ยกินอาหารพวกผักพวกหญ้าทั้งนั้นนี่ทำไมไม่ถูกเชื่อทุกวันเแกทำไมบุญไม่รักษาเขาแล้วยอมกิน กินผักกินหญ้าแค่สามวันพิสมันจะเป็นบุญรักษาโยมได้อย่างไงบุญมันนี้หญ้าและผักมไม่ใช่บุญไม่บาปเข้าใจยังมองเห็นชัดแล้วเออยังเป็นยังมันอยู่ได้เปรรัญญาอยู่ได้ความรู้ความเข้าใจมีตรงนี้โยมก็ต้องเข้าใจว่าจริงจแล้วเนี่ย ยอมสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณของแม่ได้ทั้งที่แม่มีชีวิตอยู่ทั้งที่แม่ตายไปแล้วถ้ามีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงท่านดูแลทํากิจการในกณะที่ทํากิจการเนี่ยที่แม่ส่งให้เราเรียนทังด้านบัญชีแล้วเราไปทํากิจการบัญชีเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ยราไปทําด้านเศรษฐศาสตร์หรือไปทํากิจกรรมในวิทยาการที่ยอมเรียนที่แม่นั่นเขาเรียกว่าทํากิจของท่านนั่นแหละคือตอบแทนทําด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจทําด้วยความสํานึกถึงคุณของพ่อแม่อยู่มีก็เลยตอบแทนดํำรงวงตระกูลนึกตลอดเวลาว่าเราจะไม่ทําความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเรารักษาวงตระกูลจะไม่ให้ตระกูลของพ่อแม่เนี่ยมัวหมองเพราะพฤติกรรมเพราะการกระทําของเรายอมคิดตลอดไหม อย่างนี้เขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณเขาได้ยังได้ตอบแทนไหมตอบแทนได้ ย, ยังเนี่ยได้ตอบแทนบุญคุณทําตัวให้เหมาะสมกับการเป็นทายาทที่ได้รับมรดกท่านเนี่ยก็เป็นทายาทยอมทำตัวเหมาะสมไหมนั่นแหละเรียกจะตอบแทนแล้วยอมต้องทําความดีทุกวันและอุทิศความดีนั้นให้พ่อแม่ทํำไหมทําทุกวันไห ม, ไมไเออเนี่ยมาเสียตรงนี้ยองก็ทําใหม่ซต็มทีตนี้ก็อุทิศให้ท่านยอมต้องตอบแทนท่านตลอด จนกว่ายอมหมดลมหายใจชัดเจนไหมแบบนี้เราทำทุกวันเหลือเวลาเท่าไหร่ตอนเนี้เราอาจจะเหลือเวลาอีกไม่นานใช่หมห้าสิบแดแล้วเราอาจจะเหลือเวลาอีกไม่นานดันั้นปีหนึ่งมีเท่าไหร่สาม้าวันถ้าสิปียอมจะอยู่ได้อีกสิปีไหมคิดว่าจะอยู่ไหวไหมสิบปี เอาอีกห้าปีอีก5ปีปีวันปีละ365หกาวันเท่าไหร่แค่นั้นเองชีวิตยวงเหลือประมาณนั้นก็ประมาณสองพันกว่าวันได้ยิ่งได้ได้สปียอมมีเวลาจะตอบแทนคุณของพ่อแม่อุทิศส่วนกุศลให้ท่านแค่อีก 2,000 ันกว่าวันยอมก็อายุ70ดกว่าเ แค่นี้เองชีวิตสมมุติถ้าจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าไม่ถึงล่ะโอ้ชีวิตมันฉะนั้นยอมต้องทำทุกวันไหมนั้นก็อุทิศเหมืนอนโยแหวนทำความดีอุทิศ ส, ส่วนบุญเยอะๆสวดมนต์ก็อุทิศส่วนบุญส่วนี่นยายทุกวันเนื้นอโยแหวนทำทุกวันนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตอบแทนคุณของเนื้อเนี้นตอบแทนได้รู้ไหมเทียงโยไม่ทำเองแลยอมก็ไปนั่งก้มน่นทุกแล้วก็ไปทำงานเพื่อจะให้ลืมทำงานโย ม, มีทีคิดโยมผิดอยู่เลยะ ใช่ไหมพยายันผิดทีไท่ไม่รู้แลยายไม่รู้แยายโอ้แล้วก็ไม่ยอมถามใครด้วยคิดเองหมดมเข้าใจเองคิดเองตกล่องผลึกเองอะไรเองแล้วก็ทำอย่างเงี้ยโห <laughs> ดีไ ม, ไม่ได้คนดีไม่ได้คนใช่ไหม <laughs> คนขยันมากไม่บอกก็ นเห็นเ้อนเห็นนกบางตัวขยันินออกทุกวันทุกวันแต่ฉันไม่ค่อยเชื่อใจรขาขยันหร่าเช้าไปเย็นกลับฉันตอนตืตที่นั่งฉันนั่งกรรมฐาน่เคยนั่งกรรมฐานมีนกเช้าพกออกไปเย็นกลับพออกออก่กแต่ดึกร้องแจ๊กแจกไปแล้วเ้าขยันเลแต่เขาไม่รู้ เงินนกไม่เหนื่อยฟรีไม่เป็นไรเรายังเรายังตั้งหลักนะแสดงว่าบุญให้ผลโอ้โหเพิ่งมาให้ผลตอน58าสิยังแบวนบุญให้ผลเยอะเลยตอนเจอกาจารห้าสิบเจโอ้โหบุญให้บุญเลย